ค ว, ว่าฮิริกาเนี่ยที่แปลว่าความไม่ละอายเนี่ยมันเป็นตรงข้ามกับคำ ว, ว่าฮิริคือความละอายความอายบาปตรงกันดส่วนอนโนตซาปาเนี่ยความไม่กลัวบาปได้แก่อาการที่ไม่หวาดกลัวที่ท่านถแถลงรายละเอียดไว้อย่างนี้ว่าความไม่สะดุ้งตัวต่อสิ่งที่ควรจะสะดุ้งกลัว แต่ตรงนี้ก็ก็ต้องไปทำความเข้าใจนในในคำสอนโดยเฉพาะก็คือว่าดูในรายละเอียดของคำว่าอีรีความละอายแล้วก็อวดตะปะความเกรงกลัวในคำสอนตรงเนี้ยก็ต้องดูสิ่งที่ตรงกันข้ามในทุกการมิบา ท่านแสดงคำฝ่าดขาวก็ไว้ก็จะแสดงในเรื่องของหิริก่อนแล้วก็จะเทียบเคียงกับวาอหิริกะคำว่าหิริเนี่ยจะและโอตัปันจะก็ได้แก่ความระาายและความสะดุ้งกลัวที่ท่านแสดงรายละเอียดไว้อย่างนี้บอกว่าความระาายด้วยสิ่งที่ครวรราะายความสะดุ้งกลัวด้วยสิ่งที่ควรกลัวทีนี้ ทำความเข้าใจในเรื่องของฮีละโอตปากก็จะไปเข้าใจอินิริกาและก็อันโนตปากไบท่านกล่าวไว้บอกว่าฮีเรโอตปากเนี่ยเขาแปลว่าเป็นเป็นธรรมที่คุ้มครองโลก จึงยังคงทำให้โลกมีคำว่ามารดานาป้าภรรยาอาจารย์หรือครูเป็นต้นโรคที่ไม่ถึงความซ้ำสอนเหมือนกับพวกแพ้แกะไก่หูสุนัขแะ้วก็สุนัขกิงจอกเป็นต้นเนี่ยก็เพราะมีอะไรมีสุขธร ร, รมเขาเวลาทำฝ่ายขาวให้สังเกตด้วยนะว่าคนเรามียิริและมีอวสัยใช่ไมมีความละอายแล้วก็มีความกลัวตบบัวปา ทีนี้สุกาที่แปลว่าทำขาวหมายถึงกุโซระทำทั้งพวงเนี่ยทำขาวก็ตรงกันข้ามกับทำดําอหิริกาความไม่ละอายอโนุตปะความไม่เกรงกลัวอันนี้เป็นทำดําเป็นทำดําเป็นทำฝ่ายดาส่วนหิริความละอายอุตปาความกลัวนี่เป็นทำฝ่ายขาวทำฝ่ายขาวที่บอก เฮริเพราะอันเขาละอายก็เป็นเหตุแห่งละอายหรือเป็นเหตุแห่งการมดเว้นบาปละอายต่อสิ่งที่ควรละอายคือละอายต่อการเกิดขึ้นขององคตศและธรรมะเราบกเป็นคนที่เขามีอฮริเนี่ยนะมากๆเนี่ยเวล า, าบาปจะเกิดขึ้นในใจเขาก็เขาก็ละอายเช่นว่ า, อ, าอยากจะหาใครสักคำเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกระอายเออเราเนี่ย ก็ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาก็ขนาดนี้แล้วเนี่ยเกิการที่เราจะไปโกรธหรือจะไปตาหนีไปว่าใครอย่างนี้ไม่ควรเลยมันเกิดความบายขึ้นมาในลักษณะอย่างเงี้นี่ก็เรียกทีริสโอตะระกลัวคําว่า ก, กลัวเนี่ยเป็นเหตุกลัวหรือการกลัวสิ่งที่ควรกลัวหรือกลัวต่อความเกิดขึ้นของอุปสรรคทางพลังบุทีนี้ ท่านก็บอกว่าไอ้เฮริเนี่ยเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุให้เกิดความละอายนั้นเนี่ยอาศัยยังไงอาศัยเหตุภายในเช่นนึกถึงชาติชื่อาการกระทําชั่วเนี้ไม่เป็นการกระทําของผู้มีชาติเจริญแต่เป็นการกระทําของผู้ผู้ที่มีชาติต่ำผู้เจริญเช่นเราไม่ควรทํากรรมนี้เลยคิดได้ตรงนี้แล้วก็งดเว้นบาปได้อันนี้ก็เรียกว่าเฮรินี่ยเกิดขึ้นแล้ว ในน้ปตารบอกเลยว่าเออเนี่ยถ้าเราจะพูดชั่วจะทำชั่วจะคิดชั่วเนี่ยมันไม่ใช่คนที่จะเินอะไรเลยเนี่ยเราเป็นคนที่จะเรินแล้วเราศึกษาค้สอนมาอนนเองก็นึกถึงในถึงชาติึกถึงตระกูลประการต่อมาก็คือนึกถึงวัยเช่นนึกว่าชื่อวาการกระทำชั่วเนี่ยเป็นกรรมที่คนหนุ่มสาวก็ควรจะกระทำ เพราะคนที่ตั้งอยู่ในวัยสูงวัยเช่นเราเนี่ยไม่ควรทำกรรมนี้คิดได้ดังนี้แล้วเนี่ยก็เว้บาปมีการข้าตัดสุดเออเนี่ยไปคิดเป็นไงเขาบอกบอกเออเนี่นยเราก็ร่าารวมการผ่านวัยมามากแล้วใช่ไหมอายุ ก, ก็เลยเลขเลยหลักสามหลักสี่มแล้วเนี่ย <laughs> อย่างเงี้ยพอได้สอ่งนี้ก็เรียกเนิกถึงวัย ไม่ควรฆ่าสัตว์ไม่ควรรักษาเป็นต้นเหล่านี้ต่อมาก็คือนึกถึงความเป็นผูกกาบอกว่าการกระทําชั่วนี่เป็นการกระทําของผู้ที่มีกําลังอ่อนแอเนี่ยคนที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยกําลังเช่นเรานี่ไม่ควรจะทำแบบนี้บอกว่าคนเวลาใครมาพูดให้กกกใใหโกรธก็โกรธใครมาพูดให้โลก็โลกโลกใครมาพูดให้หลงก็หลงคนนัน้คนคนือเขาเรียกเขาเรียกคนอ่อนแอนะ ง่ายเขาบอกว่าคนเมคนนั้ น, นง่ายใครเป็นผู้แทนเป็นไงเราไปตามเขาหมดเนี่ยนะนั่ น, นคนอ่อนี้ไฮ้คนเช่นเราเนี่ไม่ใช่คน อ, อน่อนี้มีกําลังคือว่าหนึ่งศรัทธาก็เป็นสรัทธาพลังมีกําลังในใจิตศรัทธาสติก็มีกําลังสมาธิก็มีกําลังวิริยะก็มีกําลังปัญญาก็มีกําลังคนที่มีกําลังเช่นเราเนี่ยไม่ควรทากรรมที่ไม่ดี นึกถึงความเป็นผู้คงแก่เรียนบอกว่าการกระทําความชั่วเป็นการกระทําของอันตร า, านเนี่ยไม่ใช่เป็นการกระทําของบัณฑิตคนเป็นบัณฑิตคงแก่เรียนเช่นเราเนี่ยไม่ควรทำคำเช่นเขาบอกคนที่เขาทำชั่วก็คือคนค้านี่เราไม่ใช่เห็นไหประการต่อมาก็จะ น, นึกถึงสถานนะเช่นอแต่ แต่ถ้าอโนตปาเนี่ยเขาคิดในเรื่องเหล่านี้นะเขาคิดตรงมันข้ามเลยนะถ้าอโนตปาเนี่ยเออเพราะว่าอายริกะความไม่อายเนี่ยเขาคิดถึงตรงนี้เขาก็ไม่ไายนึกถึงสถานะเช่นการกระทําของคนชั่วเป็นการกระทําของโจรไม่ใช่เป็นการกระทําของครูผู้สอนหรือเป็นครูเช่นเราก็พิจารณาว่าเออคนเช่นเราการกระทําชั่วเป็นของโจรเป็นต้นอะไรนี้เราไม่ใช่คน ต่อมาก็คือว่านึกถึงความเป็นขายาติผู้รับมรดกเช่นนึกว่าชื่อว่าการกระทําความชั่วนี้เป็นการกระทําของผู้ไร้ความมั่นคงทางทรัพย์ ส, สมบัติไม่ใช่การกระทําของเราที่เป็นผู้รับมรดกเราไม่ควรนำดาในบรรดาที่เรามีพ่อมีแม่เราสืบเชื้อสายมานี้มรดกตกทอดมาอะไรต่างๆใช่ไหอไม่ควรต้องช่ว คิดอย่างนีน้ประการต่อมาก็คือนึกถึงพรศาสดาจะมีคิดถึงพระพุทธเจ้าการกระทําชั่วเป็นการกระทําของผู้ที่ไม่เคารพไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าไม่ใช่การกระทําของผู้เคารพพศาสดาเราไม่ควรทําับคนนี้อันนี้เนี่ยถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะหยุดบางคนในโกรธแฉงตรวจยังไงหรือมี ความรู้สึกไม่ดียังไงเนี่ยพอคิดถึงพระพุทธเจ้าหายเลยความรู้สึกที่อยากจะโกรธอยากจะอะไรก็ขาดที่ดีที่สุดก็คือโกรธเข้าห้องพ้าเข้าไปนั่งสงบนในห้องพ้าแป๊เดียวเคยทำอย่างนี้ไหเวลาโกรธเวลาเกิดความหมกมีเวลาเกิดความผุ้ด่าขึ้นมาเข้าห้องพระมองหน้าพระพุทธเจ้ามันเดี๋ยว ก็คือคนเช่นเรานี้ยมีควรทำต่อมาก็คือนึกถึงการปไปพุทธปรมาจารย์คือการกระทําชั่วนี้เป็นการกระทําของผู้ที่ไม่มีแก่นสารผู้หวังอุพุทธปรมาจารย์อยู่ในปรมาจารย์เช่นเราต้องมีควรทํากรรมเช่นนี้ปรมาจารย์เนี่เป็นชื่อของศีก็ได้เป็นชื่อของทางก็ได้เป็นชื่อของีการเล่นจัมเมตุธรรมเป็นต้นก็เป็นปรมาจารย์แล้วเฮลิสิเนี่ยถือตอนเป็นใหญ่เนี่ยคือนึกถึงตอนให้ความสำคัญในเรื่องของตอนเป็นพิเศษเช่นนึกว่า ตนมีตําแหน่งหน้าที่เช่นนี้เช่นนี้ก็ไม่ควรนำกลับช่วงนี้ยรื่องนี้ตั้งอยู่ด้วยความละอายเป็นสภาวะอาการของความละอายชื่อว่ารัชชาเนี่ยเรื่ตั้งอยู่ในสภาวะนั้นคือสภาวะที่ละอายบากพรนึกถึงชาติและก็ น, นึกถึงไว้ของตอนเป็นต้นนนั้นที่ได้กล่าวเพราะจึงนี้เรเาไปจำครับส่วนโอนตุตรปากเนี่ยอาศัยเหตุความเป็นกลัวเนี่ยโดยมากอาศัยเหตุ ภายนอกประการแรกคืออัตตาทวารท่าภัยนึกถึงภัยคือการที่ตนเองยังต้องตำหนิตนเองคือไม่อาจจะยกโทษให้กับตนเองได้ไม่ยอมรับการกระทํานะแม้เวลาจะล่วงเลยเป็นนานก็ตามภัยว่านี้ท่านจักโดยไม่ได้นึกถึงส่วนที่เป็นคุณสมบัติเช่นวัยคือชาติเป็นต้นอันนี้ก็คือว่าภัยที่เกิดขึ้นจากการที่ ถ้าเราทําอะไรไม่ดีไว้นมันเป็นตราบาปนึกทีไรแล้วมันจะไม่สบายใจอันนี้คือตอนเองตีเตียนตนเองได้อ่ะประมาต่อมาคือป ร, รานุวาภัยคือถึนึกถึงภัยในการตั้งดีตีเตียนจาผู้อื่นที่จะตีเตียนตอนและคนที่ตนเองละนี่หมายความว่ามันไม่ใช่เฉพาะตอนใอช่นหมคนอื่นเขารู้เห็นการกระทําที่ไม่ดีเป็นตนคนอื่นเขาก็ตีเตียนแต่คนที่เป็น อ, อันโนตปะปันเขาไม่กลัวพวกนี้นะพวกโจรพวกผู้ก่อการล้ายพวกทำกรรมชั่วทั้งหลายเนะี่ยทั้งดากั้งขมทั้งบ้านทั้งเมืองเขาทำนี่คือคนไม่มีโอตปะันไม่กลัวประการต่อมาก็คือทันดาใบานึกถึงภัยคืยการถูกลงอาญาการถูกลงอาญาคืยเช่นถูกคุมขังถูกลงแท้ถูก ลองโทษถูกประหารชีวิตอะไรก็แล้วแต่นึกถึงไทยเองนี้ก็กลัวนี่คือคนมีโอตบตาไทยที่น่ากลัวกว่า น, นั้นก็คือทษคดิไทยการเข้าถึงพบลูมันไม่น่ากล้าท่านนะเข้าสู่การเป็นเปรตบ้างสุรากายสัตว์ลายขาแล้วก็สักนรก น, นี่น่ากลัว นั้นก็นึกถึงเลยนะว่าถ้าเราไปทำกรรมที่ไม่หมอไม่สมเนี่ยกลางชั่วที่เรายังไม่พ้นเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่น่าดูวันกองแล้วดูไอ้พวกไอ้สารคดีไปเขาไปฉายดูอดีกครั้งข่าวไอต้ตัวเล็กๆที่มันอยู่ในถ้ำพวาบกมีประมาณ หลายล้านตัวที่เนะี่โอ้โหอยู่เป็นคือมันอยู่กันเอย่างชนิดที่แออักมากๆเลยถ้าคนเข้าไปเนี่ยก็ก็สลบกลิ่นของมันเลยเนี่ยแล้วไม่ได้มีเฉพาะพวกเขาเนั้นเขาก็มีลูกเล็กๆแดงๆเต็มไปหมดนี่วันก่นอนเาคุย หมอคุยไปหาหมอบ่อยที่หมอคุยหมอบอกว่าในท้องของคเราเนี่ยมันไปตรงลำส่อเนี่ยนะมันมีพยาธิพยากชนิดห น, นึงไอ้ตัวแบนๆท้องนี่นะป้องนึงนี่นะป้องนึ่นงของพยาธินี่นะจะมีไข่อยู่ประมาณประมาณแสนต่ แล้วเราคิดเจอพยาธิในท้องเ่ยมันหลายวาหรือท่านจะว่ากนยังคือทุกไข่เนี่ยมีมีตัวมีตัวพยาธิหมดเลยคือมีสิ่งที่มีชีวิตอยู่อะป้องหนึ่งข้อนึ่งเนี่ยก็มีประมาณแสนตัวทีนี้มันมีกี่ร้อยเขเอาอำเภอบางมุมอำเภอเพอหงเนี่ยประชากรประมาณสองแสนคนหรือแสนกว่าคนเนี่ย พยาธิในท้องคนคนหนึ่งเนี่ยประชากรมัมากกว่าคนทั้งอาเภอนึกถึงสดุ้งเหมือนได้โชวขนาดนั้นนะมันนึกถึงที่พระพุทธเจ้าตรัสบ อ, อกว่าบอกว่ามีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ตากสิบตระกูลยอยู่ในร่างกายของเราเอาหารสองสามคำแรกเนี่ย ช, ชูพอตลอดเล้วรีบ แย่งกันกินหมดเกลี้ยงเลยตั้งายาอ่ไรเขาก็เล่นกับคนนี่มันเป็นภัยเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมเป็นภนะัยแล้วคือพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรดีเลยคือบอกว่าควรจะเบื่อหน่ายมาตั้งนานแล้วควรจะพิจารณาไข่ควร อ, อะไรจริงๆเราจะสนุ่นสนมอยู่ข้างนอกแต่ข้างในเขาเล่นกันฟุหมเฟือยใช่ไหม คือข้างนอกเนี่ยแม้อะไรวมาถูกนิดถูกหน่อยแล้วนี่เราพยายามปักพยายามเช็ดยายามถูแต่ข้างในเนยเขาไม่เคยตามมีเราเลยเพราะในนั้นไม่ไดมีกติกาอะไรเลยเนะไม่ใช่เขอกว่าจะกติกาอยู่กันในนี้ต้องอยู่กันแบบสามวันคียนะอย่าไปเจาะผนันงรังไส้นะอย่าไปกัดกระพเพาะนะวันก่อนเนอะวันก่อนอ่านนิทานน้ำคราบเทล่าลุก ท่านมลาภาพไปแล้วอนเรื่องชาวนาและงูเห่าอนชาวนาก็เลี้ยงดูงูเห่านี้ดีๆนะต่อมามูเหาก็จะกัดช้างนาช้าวนาก็บอกวะาตัวเองไม่มีคุณไม่รู้จักคุณเลยเราทําเราช่วยท่านดูแลท่านทําไมท่านจะมากัดเราโลกงูเห่าเขาบอกเขาก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่ดีอนเรื่อง ยิ่งสิ่งไหนมีบุญคุณมากยิ่งทําลายยิ่งดีมาก น, นั่นนี่เป็นอย่างนั้นเลยริงไปถามไปเรื่นั้นเดี๋ยวเขาจะพาไปถามไปก็ไปโอเคถึงก็ไปถามไปถามศาลาเป็นนิทานเลยถามศาลาพักร้อนเนี่ยถามไปศาลาพักร้อนเนี่ยแต่เป็นศาลาพักให้ผู้คนเข้ามาพักมาอยู่อะไรเนี่ยคนที่เขามาอยู่เนี่ยเขา ม, าขามีความกระทันอยู่รู้คุณทันไหม บอกตรงเองไม่รู้เลยบางคนมาอยู่ม่อยู่เฉยแทั้งปัสสว ะ, วะสรถบ้ายอจะลาดบ้างบางคนต้องนักทาไม้หนีนเร่องขอเราโอ้โหเนี่เป็นอย่า ง, ง, นะงาาานี้อไรเงี้ยนกลไปสามสะานตออเงี้ยนะสะานเขาอเป็นที่เหยียบให้เขาเดินไปดีๆยังไม่พอบางดีเาก็อยากทําไรไม้มาตัดเอามีดมาตัด บ, บ้างแล้วบ้างก็ ต้องการที่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยาไปหวังความกะตันยูกะตะเวทีต่อสัตร์ราชาเป็นต้นใช่ไหมมันไม่มีถึงแม้ว่าสมมตินะโอ้ยเราเคารพท่านคนนี้ล้วเกินเนี่ยพอตายไปตุ๊เราไปหิ็นประญาในท้องท่านคนนี้ มีท้องอาจารย์เราไม่กลับแล้วขึ <c oughs> ้นไปได้ไ้มไม่ได้เห็นใชไห ม, ไมหิวมัไม่รู้แล้วไม่รู้เรื่องแล้ ว, ลวหิวก็คิดในในคำสอนท่า น, น, นบอกว่าคนคนเร่งรีบในการเจริญกุศลทั้งโอตะปาณเนี่ยถือโรคเป็นใหญ่คือให้ความสำคัญกับผู้อื่นแล้วก็ตนเองก็ไม่ทําชั่ว ดังที่ท่านได้กล่าวไว้บอกว่าโลกสันนิวาดเนี่ยใหญ่นักแลในโลกสัมนิวาดใหญ่นี้มีสมณพราหมผู้มีฤทธิ์มีพิษกะกุลรู้จิตของผู้อื่นท่านเหล่านั้นย่อมรู้ย่อมเห็นท่านก็จะประกาศให้รู้จากเราอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงดูคุณระบุนี้เขามีสภาออกบวจแล้วยังเ ก, กลือกกลด้วยอคุ ร, รธรรมมลามกอยู่อีก เทวดาผู้มีฤทธิ์ที่ประจับตุกผู้รู้จิตของผู้อื่นกระบุนนั้นก็กระทําโลกหรือผู้อื่นให้เป็นใหญ่แล้วจึงละอกุศล น, นั่นเอโอตะป่านั้นตั้งอยู่ในความกลัวเป็นสภาวะความเกรงกลัวในอบายเชื่อภัยโอตะป่าตั้งอยู่ในสภาวะนั้นช่างสภาวะที่เกรงกลัวบาปเพราะกำลังถึงทุกข์ที่จะได้รับมีการถูกตำหนิและการตกนรก การไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสายแดริษานตระนรกเป็นต้นท่านจึงอุบมาอยู่นิดแล้วอุตปากบอกว่าเหมือนย่างก้อนเหล็กสองก้อนก้อนหนึ่งเย็นแต่เปื้อนเหล็กคูดอีกก้อนหนึ่งร้อนจับในสองก้อนนั้นวิญญูชนเปลียกก้อนที่เย็นที่เปื้อนคู่จึงไม่จับและไม่จับอีกก้อนหนึ่งด้วยเพราะกลัวความร้อนแม้ฉันใดบัดณฑิตนั่นเกลียด ไม่ทําความชั่วก็กลัวแล้วก็ละอายจึงไม่ทําความชั่วเพราะเก็งกลัวก็อย่างนี้นหิริเนี่ยเหมือนก้อนเหล็กเย็นแต่เพื่อนคู่โอตปะก็เหมือนกับก้อนเหล็กที่ร้อนจัดผู้ที่ไม่มีหิริโอตตะปะตั้งอยู่ในตนก็เป็นผู้มีสภาพเกิดตายบ่อยๆนะก็คือว่าถ้ามีอหิริกะไม่ละอายบาหิอาโอตตะปะ ไม่กลัวบาปเขาบอกว่าเป็นผู้มีสภาพเกิดตายเกิดตายและหนเกิดก็คือไม่สามารถจะพ้นจากสังสารวัฏไปได้ก็แปลว่าทำที่ทำให้สังสารวัฏยืนยาวหรือยาวนานก็นี่แหละตัวอหิรตากความไม่ละอายบาอยบปอนตะความไม่กลัวบาปอันนี้ก็ตรงกันข้ามฉะนั้นก็ต้องสร้าง ฮีรีและโอตปาให้เกิดขึ้นในใจให้มากความละอายก็ความกลัวตทบาปก็จะเป็นปัจจัยให้ให้เจริญงอกงามในพระศาสนานี่ยิ่งเปนแบบนี่เป็นอย่างนี้ประการต่อมาก็ถือว่าโทวัจจสตาจัตตาปมิตาจากในธรรมะหมวดสอนี่ก็าบอกโทวัจจสตาก็แปลว่าความเป็นผู้ว่ายาก กับปาปมิตรตาตาเขาแปลความมีปาปมิตรหรือมีมิตรช่วยคำว่าโทว่าแต่ตาเนี่ยอันนี้เป็นบททียามเนี่ยการว่ากล่าวในบุคคล น, นี้ผู้มักถือเอาแต่สิ่งน่าเกลียดติดใจในสิ่งที่เป็นค้าสิบไม่เอือเ้อเฟื้อไม่เชื่อฟังเป็นการยากดังนั้นบุคคล น, นั้นชื่อว่าทุพโจรเขาแปลคูว่ายากอีกอย่างหนึ่งได้บอกว่า ตัดสกกรรมมังโทวัสั จ, จัเน่ยการกระทำของบุคคลผู้ว่ายากชื่อว่าโทวสัสดจ์ว่ายากตัดสากาโวโทวจัตสตาสภาวะของโทวจัสตสานั่นก็คือว่าโทวจัตสตาภาวะในการกระทําให้เป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้ว่ายากเนี่ยนะคือ ความเป็นผู้ว่ายากสอนยากในเมื่อเพื่อนสาธาร้กามงว่ากล่าวตักเตือนอยู่ทีนี้ถ้าบอกว่าความเป็นผู้ว่ายากเนี่ยเราดูยังไงถ้าในคาวิ น, ยนัยเนี่ ย, น, ยนะท่านปรับเป็นนามบัตรไหมด้ยเนี่ยว่า ภิสูนเนี่ยเป็นผู้ว่ายาสงสวดกรรมเพื่อใจล้าพอ่อพระพุทธนั้นชแต่ว่าเขามีกติกาการสวดเนี่ยเขาเขาสวดเช่นตามีพะพิสูกรูปหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ว่ายาสอนอยาแนะนำให้พระพุทธปฏิบัติในเรื่องที่ถูกที่ต้องก็ไม่ทำสงฆ์เขาประชุมกันพอประชุมกันเสรเสร็จก็สวด ประกาศหนึ่งครั้งแล้วก็ถามว่าท่านจะละความเห็นความว่ายาวต่อย่มั้มถ้ายังยืนกรามก็ไม่ละท่า น, นก็สวดอีกครั้งนีกทีต่นถ้าครบสามครั้งเนี่ยถ้าเวลาเป็นนบาบัตสังฆาวิเศษแต่ในในชีวิตของคาวว่าโดยทั่วไป ถ้าใครไปเจอลูกเรือหลานเจอพี่เจอน้องหรือเราเองเป็นผู้ว่าอยากตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ลำบากคําว่าอ้ายยกว่ายากในที่นั้นหมายความว่าเพื่อนอาํา น, นี้กําลังว่ากาวเตือนอยู่ก็ก็ก็ไม่น้องใจในการที่จะจะจะเชื่อฝังทีนี้แต่บางท่านกล่าวว่าคานี้เป็นชื่อของขันทั้งสี่ที่เป็นไปโดยอาการเช่นนั้น ถ้าถามบอกว่าความเป็นคนว่ายากเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันบอกมันเกิดขึ้นจากอากุศลและนองนัง่นเออกุศลแกิจนี่นแหละเป็นปัจจัยทําให้เป็นผู้ว่ายากเช่นคนที่กําลังโกรธคนที่มักโกรธคนที่ผูกโกรธเนต้นแบบนี้ล้วนจะเป็นคนว่ายากเลยนะหรือคนที่มีโลภกิจคนที่มีทิฏฐิแรงๆเนี่ยนะใครจะไปว่ากล่าวยังไงก็ดูเหมือนฟังเลยก็ไม่ฟัง เช่นไปบอกยังไงเลยเบ็เสร็จคนนี้เขายากคิดของเขาเบ็เสร็จไว้ไม่อ่อนน้อไม่ว่างไงไม่มีโสวาจต่างนี่เรียกโควาจต่างประการต่อมาคือปาตอมิตาตีตาตาตักจับทานนายโยปุครโรเอตตตามิตาตีตาภะมิตโตทั่วตาภะมิตตาคนชั่วทั้งหลายมีคนไร้ศรัทธาเบ็ดต้น เปมิตรของผู้นั้นดังนั้นเขาจึงชื่อว่าปาเปมิโตรผู้มีคนชั่วเป็นมิตรคําว่าปาเป็นมิตรเนี่ยนะความเป็นผู้มีคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยคือคนไม่มีศรัทธาเนี่ยไม่มีศรัทธานในพระรัตนตรัยเป็นต้นลักษณะอย่านีน้ความเป็นผู้มีคนชั่วเป็นมิตรเนี่ย คืออะไรคือการทบหาสมาคมการต้องเสพมั่วสมจงรักพักดีประพื้นคร้อยตามบุคคลผู้ไร้ศรัทธาทุศีลขาดการศึกษาสันนีและก็ไม่มีปัญญานี่เป็นไร้รายละเอยีดยดดูถ้าเราต้องการอยากจะรู้ว่าใครเป็นเป็นตาประมิตรหรือเป็นเป็นมิตร ด, ดีหรือไม่ดีก็ดูว่าลำดับแรกดูว่าเขามีศรัทธาแต่คนทุกวันนี้ก็แปลงออย่างนึ คนบางคนไม่มีศรัทธาแล้วเขาไม่ดีก็ับเรื่องของเขาแต่เราก็คบกับเขาได้ก็เขาไม่เชื่อว่าเขาไม่เชื่อว่าการครบกับใครแล้วมันจะเอียนยิงการครบกับใครเนี่ยอย่ า, ยาไปคิดว่า ui, อย่างเราแล้วยุค ม, มากแล้วไม่มีเขาว่าต้นบราร์ีสเนี่ยพันต้นไม้ต้นไม้เราห่ม มีคนหนึ่งเอาเลียงมาาม้าก็ดีดีเนี่ยนะเฮ้ยทำไมม้มาเขาเดินก็เพ็กกเ็เคือเอาคนขาไม่ดีไปเลี้ยงม้ามันก็เลี้ยงแบบเดินกเพ็กก็กเพ็กกเกครับนี่เขาไปถามพระโพธิสัตว์ทนก็นมาสังเกตดูเฮก็เบอกว่าเพราะตพวกท่านเราไปพูดอะไร่นบอกให้เปลี่ยนคนเลี้ยงมา นั่ะเข้ามาวก็มาเดินตรงแ ม, ม่ขนาดม้ามีตามคนเลยอาจารย์ที่บอกว่าถ้าคนไร้ศรัทธาเนี่ยเดี๋ยวเราไปอยู่ไมนานเราก็กลายเป็นคนไร้ศรัทธาถ้าคนทุ่ศีลทุ่มนี ก, ก็ไม่ดีนะศีลข่าวเนี่ ย, นนนยคนไม่มีศีลเนี่ยไปอยู่เดี๋ยวเราก็ไม่อยู่คนไม่ศึกษาเราไปอยู่คนที่ไม่ศึกษาทำซ้อนไม่ อ่านไม่อะไรกันเลยไปอยู่ไอยเราพี่เกียรไปเดินเลยใหม่ๆแล้วก็ทำดีทำถ่ายแต่ขยันเลยมองไปรอบๆตัวไม่มีใครอ่านเลยอย่าเงี้ยไม่มีใครศึกษาเลยนะข้าวนะข้าไมจับหรือไปอยู่กับคนเจเนียเจเนียนะข้ข้าวแล้วไม่อยากจะให้เลยไม่อยากจะบริจาคแล้วก็ไปอยู่กับคนไม่มีปัญญาลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของปาปามิ ประการต่อมาคือว่าโสวัจจะตาความเป็นผู้ว่างง่ายกับกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรความเป็นผู้ว่างง่ายความเป็นคนดีเป็นมิตรเนี่ยก็ศึกษาในยากตรงกันข้ามเจอคาว่าว่างง่ายในที่นี้หมายความว่าอะไรที่มันเป็นไปในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย เขาบอกงมองวิสูจน์ดัที่ได้ไปกล่าวไว้น่นเหมือนกับไม่ไผ่ไม้ไผ่เนี่ยจะรู้ตามลมคนที่เป็น ค, นคนว่าง่ายก็จะรู้ตามคําสอนถ้าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงถ้ว่ายอย่างนั้นเนี่ยไม่แข็งไม่กระ ด, ด้างไม่คนคนไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่ายอย่างนี้แต่เราเห็นอย่างเนี้ย เราก็ตามคำ颂อันนี้เขาเรียกว่ายากเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าบอกว่าให้เจริญศีนสมาธิปัญญาเป็นตัวอะไรนี่เนี่ยบอกว่าดูกอดมิสูทั้งหลายเนี่ยเธอจงบอกว่าเธอจงพิจารณาบอกว่ารูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงนะละ ฉันทราค่าคือความินดีพอใจในรูปนั้นเสียรูปนั้นันเธอทั้งหลายล้ะได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลคือความเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเสียเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนันเธอทั้งหลายล้ะได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขพอพุทธเจ้าบอกว่าให้ละ พอพระจบอกว่าให้ละฉันตะลาค้าให้ละความยินดีพอใจให้ในขันในรูปเวทนาสัญญาสังขารมุญญาเป็นต้น ก, ก, ก, ก็ลู่ตามลู้ตามก็คือว่าไม่แ ย, งย้งเนี่ยนะไม่แย้งว่าเฮ้ยอายว่าโเราคงทำไม่ได้หรอกออย่างนี้ คือยังไม่ได้ไปไข่ครวรยังไม่ได้ไปพิจารณาอะไรเลยก็ก็ปฏิเสธคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเกี่ยวกับในเรื่องที่บอกว่าการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามลำตอกเป็นต้นเราเนี่ยนะเบื้องต้นก็คือว่าศึกษาในปาฏิโมกข์สังวรสีอินทร์สังวรสีเม็นต้นเป็นตามนั้นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ว่างไง เธอทำสอนบางทีเนี่ยนยถ้าโดยเฉพาะครั้งด้แล้วเนี่ยบางทีไปคิดว่าโอ๊ยความผิดเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรแล้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าวายาเป็นพา้าหรือว่าเป็นพุทธบริษัทก็ต้องเป็นผู้ว่างงานการว่างง่ายเนี่ยเมื่อเป็นผู้ว่างง่ายแล้วเนี่ยเป็นคนอ่อนน้อมแล้วเนี่ยในที่สุดจริงๆก็คือว่ากุศลธรรมมี ทา น, น, นกุศลศีลกุศลและอาวนากุศลเป็นต้นมันยะไหลออกมาสู่กระแสจิต น, นะทีนี้ถ้าเป็นผู้แข็งเป็นผู้วายายนละยในที่สุดจริงๆเนี่ยบัณฑิตหรือท่านผู้รู้ทั้งหลายเนะี่ยเขาก็เขาก็ไม่อยากเกี่ยวข้องเราเราก็กลายเป็นคนที่กลายเป็นคนที่เสียหายเลยในะสังสารวัฏแล้วมันไม่ใช่เสียหายในปัจจุบันทั้งภพ แม้ในอนาคตการก็เป็นการสั่งสมอัตยาัยที่เป็นผู้ว่าอย่างเป็นต้นฉะนั้นความเป็นผู้ว่าง่ายเนี่ยจะเป็นคุณธรรมที่ควรจะปลูกฝังไว้ไว้ในใจประการต่อมาคือกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ค่อนข้างเยอะกัลยาณมิตรเนี่ยเนี่ยบอกว่า มีพระอนนเนี่ยเคยไปกล่าวบอกไว้บอกว่ากาลยานามิตรเนี่ยเป็นพึ่งหนึ่งของพรมยนันพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนอ น, น, อนั้นน้นเธออย่าได้พูดอย่างนั้นความเป็นผู้มีกาลยานามิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดเป็นทั้งหมดของธรมยนนันแล้วก็บอกว่าพิกิตร พิกตูนีอุบาตกแล้วันเบกาเป็นเจ้าเหล่านี้มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยเขาจะค่นจักชาติธารมรณะโสกาวอนี้เทวทุกขโทมนะตาและอุปายญาติไโดยสรุปตรงนี้เราดูดด ว, าว่าการมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นยอดของกัลยาณมิตรอยู่แล้วเมื่อมีพระพุทธเจ้าเป็นยอดกัลยาณมิตรเนี่ยเนี่ย การที่เราพระพุทธเจ้าบอกว่าดูคาวิสุทธิ์ธทลายบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากในโลกนี้ย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนตนย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเมื่อจะคิดย่อมคิดแต่จะการเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนคิดการเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นแล้วก็คิดการเป็นประโยชน์เกื้อกูอลกกทั้งสองฝ่าย คิดการเป็นประโยชน์เพื่อกลูแก่ชาวโลกทั้งหมดทีเดียวอย่างนี้แลจึงชื่อว่าเป็นบัณฑิตและมีบัญญัติทีนี้การเสวนากับสตรูลหรือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรอย่างสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้เาการเสวนากับกัลยาณมิตรนําไปสู่อะไรนำไปสู่ปรัตโตโหสางที่ดีคือการได้สดับได้เรียนรู้ภาษาคำคือ ได้แก่ความจริงและความดีงามที่แท้ก็เรียกว่าพระธรรมในที่สุดจริงๆก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดโยนิโสมาในกิกรรมต่อพระธรรมทําให้เกิดกุศลธรรมและปัญญาที่เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอย่าพร้อมทั้งสามารถทําให้ปฏิบัติธรรมได้ถูกตามหลักตามความมุ่งหมายทีนี้เมื่อปฏิบัติ ถ, ถูกก็จะบรรลุผล มีบรรลุสวดาปฏิผลสกดิาคาามีผลเป็นต้นลักษณ ะ, ษณ ะ, ษณ ะ, ะอย่างนี้เขาเรียกว่าความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรจริงยกในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยเราท่านทั้งหลายที่ไม่ร่วนทุกเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมประการแรกเลยเพราะเราขาดกัลยาณมิตรถ้าเราได้เจอกัลยาณมิตรจากพระพุทธเจ้ า, านีนี้แล้วก็ เป็นผู้มีโยน่สงฆ์ในการภายในดีๆบางทีไม่ต้องมาตั้งศึกษาพระธรามแบบนี้บางที้พรโกไปไนนี้พราะโทษองการห่างเหนอนกรลยาณมิตรนั่นก็ต้องตั้ ง, งอฏิยาใส่ในการที่จะแสวงหากัลยาณมิตรนอกใจหากัลยาณมิตรีพระพุทธเ จ, จ้าเป็นส่วน ต่อไปก็ขึ้นดีหมวดหนึ่งนะในอาปาติกุศลาตาจะอาปตอธธ า, า, ต, า, าปติกุศลฐานะกุศลตาจะอาปาติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอานบัตส่วนอาปัติธธกุศลฐานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการออกจอากอับัตสแต่ตรงนี้เกี่ยวกับพระ แต่คารวะก็สามารถเชื่อมโยงได้ว่าอาปัติกุสราตาคือความเป็นผู้ฉลาดในเรื่องอาปะัตความเข้าใจในเรื่องอาปาต์ห้ากองบ้งเจ็ดกองม้นงนี้ก็มีพวกปราชิสี่ 4, สังฆาพิเศษนิสกีปาจิตีปาจิตีปาจิเพสนียะทุกข์กดแล้วก็ทุกภาสิทนี่มีชื่อของอาปะัต คือคือเป็นทา ง, ท ต, ต, ต, าง ต, ต้องรูาานะ้ต้องรู้แต่ความคิดตัวนี้ก็เหมือนกับเราว่าสเลยไหมก็ต้องรู้ความรู้สีเช่นว่าตานหน้าที่บาดเนี่ยนะอาการที่จะจะร่วงระเมือดสึกาบท ข, ข้อเนี้่ก็มันะเป็นยังไงทีนี้พอร่วงระเมือดแล้วอนการที่เราจะ สมาทานใหม่เป็นแปลว่าความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติพระเอาไวเนี่ถ้าเป็นอาบัติเนี่ยนถ้าเช่นว่าพระฉันข้าวมีคําข้าวอยู่ในปากแล้วพูดนี่เป็นอาบัติแต่เมื่อเป็นอาบัติแล้วเนี่ยนะไปเผลอไผอะไรไปก็แล้วแต่แล้วจะออกจากอาบัติยังไงก็ต้องออกได้โดยการเทสนามก็คือการแสดง พรเนี terror, ่ยเวลาเป็นอาบบากเนี่ยท่านไม่ให้ปิดท่านให้เปิดเผยแต่ไม่ใช่เปิดเผยกับโยมนะเขาจะเปิดเผยกับพระไม่ใชเจอหน้าโยมวั้งมาวันนี้เจออัากเยอะอะไรอเงี้ยนี้ไม่ใช่ครับกับกับคระาะเจะไปแสดงอบักหรืออบักบางอย่าง็นอับัากเกี่ยกบเรื่องของ ยกเปอย่างเช่นการสแสดงธรรมถ้านั่งอยู่ในอาสนะต่ําเนี่ยจะไปสแสดงธรรมให้คนที่นั่งอาสนะที่สูงกว่าอันนี้ไม่ได้หรือว่า เ, เ, เรายืนอยู่ไม่สแสดงธรรมแก่บุคคลผู้ไม่เป็นไข้แล้วนั่งอยู่อย่างนี้เป็นไปปิชบาตเนี่นยนะยกว่ า, า, ามาใส่ก โยมก็จะรับพรโยมก็นั่งพาก็ยืนให้พออย่างนย้ไม่ยากเลยถือว่าไปยืนสแสดงธรรมเป็นอาบัติทุกข์กดเนีย่ยถ้าไม่รู้ถ้าไม่ฉลาดในอาบัติก็ไม่รู้เลยว่าเนี่ยเป็นอาบาัติก็นับเป็นคําพูดเลยโยมก็รับพรเลบโยมก็โยมก็ไม่รู้หรือว่าการประเค น, นีอ การประเค์รักสนับการประค์เนี่ยนะว่าเอออยู่ในหัตถบากในการประค์เนี่รักสนับการบาอของที่จะประค์เนี่ยมันเป็นของดิบด้วยเนี่ยวันคนเอาเอาเอาเนื้อดิบมาถวายนี่จะถ้าเวลาเรณเป็นบากนี่เป็นตัวทีนี้ถ้าเป็นแล้วเนี่ยเราต้องฉลาดในการที่จะออก แต่ว่าถ้าฉลาดในอับดับเนีมันก็มันก็จะป้องกันได้เยอะโยมก็เหมือนกันด้วนในกรณีว่าเอออะไรเป็นความผิดหรือไม่เป็นความผิดใดๆเนีะจะผิดศีลหรือไม่ผิดศีลอย่างไรเป็นต้นรักษาไดอย่างนี้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการกําหนดการออกจากอับดับพร้อมกับอวจาที่ท่านกล่าวไว้ว่าความผู้ฉลาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกจากอับดับหนึ่งยังยกตัวอย่างมาเป็นอับดับทั้งหานที่เศษที่นั้น เขาจะต้องไปแก้ในกาสงในการอยู่ปริวาสก่นอนถ้าหากต้องมาบัตรมากี่วั น, นก็ไปขออยู่เท่านั้นถ้าต้องมาบัตรมาสิบวันนี้ปกปิดเนข้าไว้ น, นี่ก็ไปขออยู่ปริวาสสิบวันครบสิบวันก็อยู่มานะอีกหกราตรีครบหกราตรีแล้วเรากไ็ไปขอตาสงยี่สิบรูปยี่สิบเอ็ดรูปนี่นออกอาการถึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างเก่าได้อย่างนี้เป็น ขั้นตอนเป็นอย่างไงของ้าะที่นึ่นแต่ถ้าเป็นระบาตรายชีพคือขาดแต่ความเป็นพรก็ก็ให้รีสิตก็ให้รสิตอันนั้นคือในรายละเอียด ก, <ๆ>ก็ก็ไม่มีอะไรมาก สมาปัฏิกุศลกาจะสมาปฏิวุฒานลกุศลกาจะสมาปัฏิกุศลกาความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติกับสมาปัตฏิวุฒิและกุศลกาความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติอันนี้ไม่ใช่อบัตบาทนะแตเป็นสมาบัติสมาบัติคืออะไรคือการได้ประฐมฌานทุตดียฌานตติเดียฌานจตุธาฌาน แล้วก็ได้อากาศานญาติยศนาปัญญาณนญาติยศนาอคติปัญญาญตยศนาแล้วก็เมวาสัญญาณสัญญาญาติยนาคือรูปชาติสี่รูปญาติสีนี่เขาเรียกสมาบัติแปดหรือผลน่ะได้โซดาปฏิผลปกากาา ม, มีผลนานาคา ม, มีผลและอาลัสผลอนนั้นเขาเรียกว่าผลสมาบัติสมาปฏิกุศลต า, าคือความรู้ความเข้าใจเรื่องการกาหนดอัปนาพร้อมทั้งบริกรรม ที่ท่านกล่าวไว้บอกว่าความเป็นผ mm ู้ฉลาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสมาบัติทั้งที่เป็นสมาบัติที่มีวิตกวิจารสมาบัติที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารสมาบัติที่ไม่มีทั้งวิตกและไม่มีทั้งวิจารเช่นในปฐมฌาในปฐมฌานเนี่ยนะถ้าได้ปฐมฌานในสมาบัตินั้นมีทั้งวิตกมีทั้งวิจารถ้าผู้เสียฌานเนี่ย ถ้าในทุติยชาติในจตุกนาฏนี่นะสมาบแบบนั้นไม่มีวิตกและก็ไม่มีวิจารเป็นไปต้นหรือตัทยาชาติคอยไว้ข้าว่าตัทยาชาตินี่นะไม่มีวิตกไม่มีวิจารไม่มีปิติเป็นต้นจตุทัชน์ก็คือไม่มีสุดทีนี้การฉลาดเนี่ย ทั้งสมาบัติเนี่ยนะบอกว่าเข้าใจเรื่องำกำหนดอปนาพร้อมนงบริตัมคือสามารถที่จะรู้ด้วยว่าในขณะที่เราจเจริญกรรมฐานเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นปฐมวิชารเนี่ยมีอะไรเป็นอารมณ์มีกัศินสิบอสุภาสิสโกธาอนาตาณะปิยมนาทุกขิตาสุขิตาสัตติสตรเป็นอารมณ์นี้เป็นต้น ก็กป็นอารมณ์ของสมาบัติฉะนั้นความเปพูดฉลาดในการเข้าสมาบัติคือสมควรจะเข้าสมาบัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางทีเนี่ยการที่เราจะเข้าสมาบัติเนี่ยคนที่เขาได้ได้ฌานได้อภิญญาทั้งหลายนัเลยแต่อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ฉลาดมากมากเลย ออสามารถจะเข้าสมาบัตอะไรและเหมาะสมเวลาไหนอย่างไรเนีย่ยต้องต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจตรงนี้ค่อนข้างสุดพระในสมัยั้ำพุทธกาลในีน่ยกาคนที่จะท่านจเก่งในเรื่องมันส่วนประการต่อมาคือว่าปัญญาเครื่องกำหนดดูราที่จะออกมามาบักว่า พอตะ ว, วันเกินไปแค่นี้เราจะออกซึ่งเป็นปัญญาที่สามารถออกสมาบัติได้ตรงเวลาที่ mm hmm. กาหนดเ็เลยฉลาดความรู้ความเข้าใจในการออกจากสมนาบัตชำนาญในการเข้าชํานาญในการตั้งอยู่ชํานานในการชํานาญในการออกคนที่ชํานา น, นจริงๆเนี่ยนะในการที่เขาเล่นสมนานบัติจนทำนี้ชํานานจนมีวสี ในการเข้าเนี่ยเขาจะกาหนดเข้าในช่วงไหนใจเข้าวันไหนใจออกลและเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะตั้งเวลาเท่าไรก็ได้ถ้ากาหนดได้ขนาดนั้นเนี่ยัยงเราเนี่ยอย่าว่าแต่เข้าสมาบัเลยนอนอยัตั้งเวลาไม่ได้ถูกยาช่อย น, นอ น, นสองชั่วโมงเลยอยู่เอะไร่ชไหมทั้ ท, ทั้งที่เราก็นอนกันมาตั้ง โ, โหทุกวันเราต้องมีาการนอนมันน่าจะชำนานใช่ไห น่าจะฝึกได้จนชำนาญเนี่ยแต่เขาไม่เห็นชำนาญเท่าไหร่มันน่มันน่าจะฝึกได้จนชำนาญคือเช่นว่ า, นน ถ, า, ว า, าถ้าจะนอนสักสองสามชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถที่จะนอนได้ ไ, ไ, ได้มากไดมากฝึกไม่ได้แต่คนที่เขาได้สมาบัติเนี่ยเขาฝึกได้แม้แต่คนที่เขาเจริญนานาปานาสติอ่ะ เขาสา ม, มารถที่จะกําหนดรอบูลมหมายใจของเขาว่าจะขาดลงณขณะไหดที่เดินจงกรมไปแล้วก็ไปขีดเอามาขีดเป็นร้อยเอาไว้แล้วก็บอกผมว่าท่านกูมีอายุทั้งหลายท่านเคยเห็นใครนิพพานแบบไหนบ้ า, ทางท่านก็เล่าวลยเคยเห็นนิพพานแบบประเภทที่เดี๋ยวข้าพเจ้าเดินจากจุดนี้แล้วเดินกลับมาบนเท้าข้าพเจ้าเหยียบตรงนี้ข้าพเจ้าปเป็นนิพพานแล้ว พอมาเหยียบตรงที่เส้นที่นั้นไว้กันี้ผานในขณะนนะั้นอย่างนี้เขาชาาํานาญในการเข้าการออกค่อนข้างชัดเจนมานี่เป็นอย่างนี้นะทาตูปุตราตาจามนัสิการะปุตราตาจา่าท่าตูปุตราตาความในผู้ฉลาดในท่ามานัสิการะปุตราตาความในผู้ฉลาดในมนัสิการะ เกิธาตุกุตราตาเนี่ยนะได้แก่ความการสะดับการทรงจำการพิจารณาการรู้แจ้งอันเป็นเครื่องกำหนดภาวะแห่งธาสิบแปดที่กล่าวไว้ความเป็นผู้ฉลาดใน่าตก็คือความรู้ความเข้าใจในเรื่องธาตุสิบแปดจักสูงธาตุรูปธาตุจกักขุยานาธาตุโสาธาตุสัคธาตุโสตวิญญาณธาตุ คาณาธาคันธาธาคาณาวิญญาณธาตุชิวหาธาตุราตตาธาตุแล้วก็ชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโวธตาธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุแล้วก็มโนวิญญาณธาตุทั้งธาตสิบแปดนี้เป็นผู้ฉลาดรอบรู้ในธาตุเหล่านี้คำว่าฉลาดแต่เขาสามารถรู้ในเช่งจักขคู่ธาตุนี่นะจักขคู่ธาตุจะเป็นทุกข์นี่นะจักรคูสมูทายจะเป็นเหตุให้เกิด ท่าไห น, นให้เหตให้เกิดทุกขนึ่ยจับขูท่าตัวนิโรธเนี่ยต้องหมายความว่าเป็นนิโรธาสัจจ์จับขูท่าตัวนิโรธาทาไม่มีปฏิปทาก็คือเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความต่บทุกข์กนี้นเนี่ยคือเข้าสามารถเอาท่าสิบแปดมาย่อยมาส่งเคราะลงในอริยสัจสีแล้วเพราะข้อแรกในกรรมกันเขีนจักขูิญาณทาตในติดทุกจักขู่ญาณทาตสมุทัยก็ เป็นเทให้เกิดภูมิจากปุญาณธาตุนิโรธก็อันนี้ก็เป็นความดับภูมิจากปุญาณธาตุธาตุแล้วก็ปฏิปทาเนี่สัคาวนีปฏิปทาก็คือเป็นข้อปฏิบัติให้เขาดึงความดับภูมิอยู่ตรประการต่อมาคือว่ามนติการและกุศาตาคือความเป็นพูดฉลาดในมนสิการคาว่ามนติการและกุศลตาได้แก่ปัญญาในการพิจารณาเนี่ การรู้แจ้งการพินิษการเพ่งพิถ่ทาทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดความรู้ความเข้าใจ่าตทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้เป็นมนาสิกกาลปุศะตาความเป็นผู้ฉลาดในมนาสิกาก็แปลว่าเอาธาตุมาให้ควรมาพิจารณาในขันในร่างกายของสัตว์โลกทั้งหลายลานี่เนี่ยถ้าแยกออกเป็นธาตุก็ไม่มีอะไรเลยเช่นว่า เราบอกว่าเออเราชอบตาของบุคเนี่ยนะตามีตาเป็นสามีบางอย่างไมตาตาตาคู่กับตาของบุคเนี่ยแต่ว่าตาคนนี้สวยใช่ไหมจะบอกว่าตาต้อเรียกว่าจักรุธาตธาในที่นั้นก็แปลว่าเป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความใสที่สามารถรับรูปธาตุได้ไอจักรุธาตใช่ไหม เขาก็ทรงไว้ขึ้นความใส่เขามีหน้าที่ใส่ความใส่ของเขาก็สามารถรับรูปประทา่าได้แล้วก็จักผูวิญญาณธาตุไอ้สามอย่างเนี่ยเป็นธาตุฉะนั้นที่บอกว่าอุตาที่จริงๆไม่ใช่สักบุคคลเลยแท้ที่จริงก็คือเป็นเป็นรูปประทามชนิดที่มีการเกิดขึ้ น, นั่้อยู่าําร รูปอารมรูปธาตุก็เป็นรูปธรรมย์นิดหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งสองสิ่งเนี่ยเกิดจากปัจจัยอ่ะไม่ได้เกิดขึ้นโดยเรทาทำตัวมันเองได้และจกักขุยยาธาตุก็ใส่ จ, จักขุปาสสาก็แล้วกามองอย่างงทางทำมาล่านี้ว่าด้เกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งนั้นเอามาดูในทางทวารหูก็โสดาธา ก็เป็นความใสที่สามารถรับสัทธาธาตุได้แล้วก็เป็นโสตธาตุก็เป็นนิสัณของโสตวิญญาณธาตุสิ่งท right so au yes ั้งสามสิ่งนี้ก็รู้ว่าจะเกิดแต่ปัจจัยปัจจัยเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโสทธาตุสัทธาธาตุโสตวิญญาณธาตุก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นอันนี้ในธาตุต่างๆอนี้ความเป็นผู้ฉลาดในมนาหตุการในการแยกธาตุอย่างนี้ คนนี้ในที่เหลือหญิงก็จะแยกสาสตร์บุคคลหญิงชายเป็นต้นออกแล้วก็จะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตการผู้เป็นหญิ ง, งประการต่อมาคืออายตนะกุศลตาจับปฏิจจสมุปบาททาอุศลตาจับอายตนะอุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทปาทาอุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ที่จริงตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องกล่าวค่อนข้างยาวๆเลยแต่ว่ามากล่าวสั้นๆกว่าอาอา ย, อายตะนคุณรรมปัญญาในการเรียนรู้การใส่ใจการเข้าใจในอายตนาสิบสองอายตนาคือตาอายตนคือรูปอายตนคือหูอายะตนคือเสียงอายตนะคือจมูกอายตนคือกลิ่น อายตนะคือริ้นอายตนะคือรสอายตนะคือกายอายตนะคือโปวดฟ้าอายตนะคือใจอายตนะคือธรรมารมณ์เนี่ยอายตนะสิบสองเนี่ยความฉลาดในอายตนะความรู้ความเข้าใจในอายตนะสองเนี่ยมีจับสู่ เราเยกว่าจักขวายัตนะปรูปายัตนะโสตายัตนะศัทธายัตนะขานายัตนะคันตายัตนะพระชิวหายัตนะพระสายัตนะกายายัตนะโหตพายัตนะมนายัตนญะแล้วก็ธรรมายัตัญะก็ว่าว่าเป็นคำริยติกันอันนั้นคือตัวยัตนะความเป็นผู้ฉลาดในธาตุในอายัตนะความเป็นผู้ฉลาดในนาฏการ ในการเรียนรู้ในการใส่ใจในการสดับในการพิจารณาในการรู้แจ้งและเในการพิ่งพินิษฐาสิบแปดอายตนะสิบสองเนี่ยเป็ น, ปนอารมณ์ของการปฏิบัตินะบางกลุ่มบางท่านเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเอาอายตนะมาพิจารณาเช่นตาไม่ใช่ของเกือทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละตานั้นเสีย ตานั่นนั่นคือล้าได้แล้วจะเด็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูณเพื่อาให้ลาตาพูดที่ะสอให้ล้าตาล้าใขที่นั่นคือล้าแตนตลาดครัละากิเลสละตัญหามาได้ที่จิตในตาเสียเราจะล้ายังไงเนี่ยมัเราจะบอกว่าจงล้าเนี่ยเป็นคาบอกเป็นการบอกว่าให้ล้าเนี่ยถาไม่ล้าเนี่ยตาม่ขั้งวันเลยเนี่ยมันเละเมียเลยน หูกันมืนกันใช่ไตาหูจมูกเล่นกายใจไป็นต้อเหล่านี้พระพุทธองค์สอนให้ละให้ละธนตราคฆานีสิ่งเหล่านี้เสียธาราได้แล้วจะเป็นเพื่อจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูรเพื่อความสุขตลอดกาลนั้นคนที่ละได้แล้วก็คือพระอรหันต์ตาเจ้าทั้งหลายท่านละสิ่งเหล่านี้ได้ท่านก็ไม่ต้องไปมีตาหูจมูมกเล่นกายใจอีก่ใช่ไหมสําหรับบุคคลที่ไม่ทําไม่ปฏิบัติเพื่อเือหนาเพื่อคลายกำลังนนเพื่อละสิ่งเหล่านี้นะ ในที่สุดจริงๆจะไปเจ็บปวดเพราะมีตาก็แปลกมีตาเนี่ยก็เจ็บปวดก็มีตามีหูก็ เ, เจ็บป ว, วดก็มีหูมีแขนก็เจ็บแขนโอ้มีตรงไหนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็พยุศเราจนได้มีเขาเรียกว่ามันมีของที่ไม่ดีนะมันไม่ดีจริงอย่างที่เราคาดคิดกันเอาไวนะ้เนี่ย ถึงเวลาที ta ่มันจะแปลผุแปลผันขึ้นมาเราเป็นเรื่องเลยี้ก็นี่เขาเรียกว่ามีสิ่งที่มันเราไปสมาทานสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไว้เยอะท่านกันถึงบอกว่ามีการสดับฟวามมีการเรียนรู้มีการเพ่งปีนี้ตรงนี้สำคัญมาก าการเพ่งทีนี้ในทีนี้ก็คือเอามาใไขครคัวรเอามาใส่ใจเอามาพิพจารณาบ่อยแต่โดยมากคนในสมัยปัจจุบันนี้โดยมากไม่ค่อยเอามาเพ่งทีนีน้เท่าไหร่ใช่ไหมเช่นจะเอาจักรครูเอาจักรสายยานะอายตนธนาขตามมาพิจารณาว่าตัวจักรประสาทนษานอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเนื้ออาศัยดินน้ำไฟลม ถ้าไม่มีธาตุดินธาตุน้ํำธาตนะุาไฟธาตุลมแล้วก็ไม่มีชีตั้งฉะนั้นหนะ้าตานี่อาศัยดินน้ํนนนนาไฟลมเกิดขึ้นทีนี้จากกุปตะเนี่ยเป็นกรรมเชื้อรูปเนี่ยพวกที่เกิดจากกรรมในอดีตจากกุปตะมันไม่ได้มีอยู่ในต้นไม้ไม่ได้มีอยู่กที่ต่างๆเนะแต่ม่อยู่ในของเราได้แล้วเป็นความใสชนิดหนึ่งที่สามารถรับรูปายตนะการ ถ้ารูปายชนะนั้นมาปรากฏเฉพาะหน้ามีแสงสวรรคใช่ไหมแล้วก็มีมนติการมเป็นต้นหนึมีปราศัยใจเป็นต้นก็จะสามารถเห็นรูปายลมนั้นได้ทีนี้เราก็เป็นสำคัญจิตยึดว่าเราเป็นผู้เห็นแท้ที่จริงเนี่ยตัวจักรฟ้ายชนะเป็นความใสที่สะท้อนรับภาพสีต่างๆได้แล้วจากขูวิญญาณไปทําทัศนคติไปทําจิตในการเห็น เราก็แยกไม่ออกระหว่างเป็นผู้เป็นนามี้เป็นตนเพราะขาดการพิจารณาขาดการรู้แจ้งและ้ะขาดการเพ่งมีนี่ทีนี้พอขาดการรู้แจ้งขาดการเพ่งมเ น, นี่ยเราก็แยกไม่ออกนี่ก็เรียกว่านึากถึงการการระดับการการเรียนรู้การเพ่งมีนี่เป็นโลกิยาการรู้แจ้งเป็นโลภุตระการพิจารณาการใส่ใจเป็นโลภิยะและเป็นโล ละละกุศลารักกุศทีนี้กถือว่าคือจะเป็นปัจจัยการแหงตลอดได้เป็นปัจจัยการแหงตลอดได้ประการต่อมาก็ถือว่าปฏิจจสมุปบาทกุสลตาความเป็นผูช้ชนะปัญญาที่เป็นใจแนหน่งน่าเป็นต้นว่าการเรียนรู้ปัจญยาการสิบสอง อวิชชาปัจจะยาสังขาราสังขาราปัจจะยาวิญญาณวิญญาณปัจจะยานามารูปังนามารูปปัจจะยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาสโสผัสสะปัจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภวภวปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามโสกปริเทวทุกขโทมนสอุปาาสิ ปปัญญาที่มีความเข้าใจเนี่ยการเรียนรู้ปฏิจจสุบาบอย่างยกตัวอย่างเช่นในชีวิตจริงเนี่ยเช่นตาอาศัยตาอาศัยรูปเกิดจากขวัญญาเนี่ยเพราะธรรมะสามประการนี้ประชุมกันทีเ่เรียกว่าภาษาภาษาก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวท น, นาก็เป็นปัจจัยเกิดปัญหาปัญหาเป็นปัจจัยเกิด อุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยเกิดภพบพบเป็นปัจัยเกิดชาติชาติาก็เป็นปัจจัยเกิดชรามรณาโสกาปริเทวะทุคตรมมนัสสะและอุปายาจะการการเข้าใจในลักษณะนี้เขาเรียกว่าปัญญาที่เป็นไปเื้องหน้าในการเรียนรู้ปฏิยาการรมฉะนั้นหลักปฏิยาการจะเป็นไปในชีวิตจริงได้ใช่ไหมเป็นเช่ในในขณะที่เห็นแต่ละครั้งเนี่ยถ้าไม่ไขครัวให้ถูกต้องนะปะติจารุบาลก็จะหมุน วัตถุก็จะหมุนเย็นมาลักษณะนี้แล้วลวันห น, น, น, น, นึ่งวันหนึ่งให้สังเกตไหมว่าเราใช้ขวานทั้งหกอยู่ตลอดเวลาทั้งดูทั้งฟังเป็นต้นเหล่านี้ยนะทั้งดูทั้งฟังเป็นต้นเหล่านี้ยลักษณะอย่างนี้เขาถึงบอกว่าเป็นวงจรของปฏิกิริยาตัวบาป ท, ที่มันหมุนไปอย่างไม่ขาดสัมส แบบต่บันไดตรงนี้แล้วเป็นวัด น, นี่คืออะไรติดเนนเลยนะเนนก็เป็นหวัดท่านอยู่ฉะนั้นความเข้าใจเกี่ยวกัเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็คือว่า เชื nah> ah ่อมโยงปัจจัยป oh. ักจัยการในคําสอนเนี่ยเนี่ยวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นเหล่าเนี้ยกองทุกทั้งปวงย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เกี่ยวกับในเรื่องของปฏิสิริยาประการต่อมาขึ้นฐานนักุตสาหาจะอัฐานักอุตสาหาจะหรือฐานนัอุตสาหาความเป็นผู้ฉลาดในฐานนะ ความเป็นผู้ฉลาดในฐานนะกับอัฐานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอัฐานะฐานะอัฐานะนาเนี่ยนะความเป็นผู้ฉลาดในฐานนะกับความเป็นผู้ฉลาดในอัฐานะ ตาตาคือปัญญาสามารถในกําหนดรูปฐานะว่าจาักสุรูปเป็นฐานะและเป็นเหตุแห่งจกักปุวิญญาณที่เกิดขึ้นโดยการนําจักสุให้เป็นที่ตั้งและก็การทารูปให้เป็นอารมณ์เป็นต้อนอะไเนี้ยนะยกตัวอย่างเช่นว่าจาักสุจักปุปสาสามารถรับรูปอารมณ์ได้นี่เป็นฐานะที่เป็นไปได้ แล้วจักรคู่ปรสาทนั้นเป็นที่ตั้งของจกักคู่ินญาอันนี้เป็นฐานนะที่เป็นไดน้แต่ถ้าบอกว่าจักขคู่คือตาเนี่ยเอาไปฟังเสียงเนี่ยอันนี้เป็นอัฐานนะจักรคู่เนี่ยเป็นที่ตั้งของโสตวิญญาณอันนี้เป็นอฐานนะอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกฉลาดในฐานะและในฐานนะ ฉะนั้นในอในในทวารทุกทวารก็ก็ไลใ่ใจด้วยาการนี้ทีนี้ว่าด้วยฐานาแะแรกฐานะในในในพระไตรปิฎกที่ท่านกล่าวเขาไว้เนี่ยเนะียกล่าวเกี่ยวในเรื่องของฐานาแะแรกฐานะเข้าไว้ท่านกล่าวบอกว่าดูก่รที่สือทั้งหลาย ข้อที่บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงยึดถือสังขารลายๆโดยความเป็นสภาพเทียมม่ยงนั้นไม่ใช่ฐานนะ <S <S ไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้คือบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเนี่ยคือถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิในที่นี้หมายถึงมรรคสัมมาทิฏฐิเนี่ยเช่นเป็นพระโสดาบันเป็นต้นอะไรถ้าโสดาบันเนี่ยจะไปเห็นว่าทุกสังขารนี่เป็นของเที่ยงเนี่ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ฐานนะ ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่ปุถุชนเนี่ยนะจะยึดถือสังขารอะไรโดยความเป็นสภาพที่เทียมนี่ยนเป็นขานะที่มีนะอะไรอย่างเราเนี่ยนะถ้าบอกว่าสภาพไอ้สังขารนี่เป็นของเทียมเนี่ยเรา <S <S เราเรายึดถืนะอเนี่ยเพราะเราเห็นเท่นั้นจริงๆเพยังยังอยู่ยนะและแ้วตัวไหนเนี่เป็นขานะที่มีนะนี่รู้จักฐานะแล้วอย่างนี้ก็คือว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลาย ข้อที่บุคคลดึงพร้อมด้วยทิฏี่จะพึงยึดถือสังขารอะไรโดยความเป็นของสุขกันที้ไม่ใช่การพระอริยะทั้งหลายเนี่นะท่านไม่เห็นเลยว่าสังขารเป็นศุขแม้แต่นิดท่านเห็นสังขารทุกสังขารโดยความเป็นทุกข์แต่บอกว่าแต่ข้อที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารลายๆเนี่ยโดยความเป็นของสุขนั้นเป็นฐานาอินทีนะ อย่างเราเนี่ยจะบอกว่าไอ้ตอนเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่สุขแต่ถ้าเราหายป่วยเราเป็นสุขโราเห็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นมนุษย์เราไปคิดว่าเป็นทุกข์ถ้าไม่เกิดเป็นเทวดาเรารู้มันสุขอย่างนี้เป็นต้นคือความสําคัญความเข้าใจของปุถุชนเนี่ยเห็นสำคาญเป็นสุขอันนี้มีได้เป็นฐานได้ที่นี้ด้แต่ถ้าว่าที่ญาณเนี่ยดูสังขารทุกภูมิไม่มีความสุขกระทั้งดูความภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลหนึ่งพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงถือทำอะไรด้วยความเป็นตัวตนนั้นไม่แข่งากร่งนะไม่ใช่โอกาสหรือว่าจะไม่ถือทำมากด้วยความเป็นหัตตาด้วยความเป็นตัวตนเป็นพะอริยะ่ไม่ถือแต่ถ้ปุถุชนละ่ะเห็นด้วยความเป็นตัวเป็นตนดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงฆ่ามารดาบิดาไม่ใช่ทั้งคนที่เป็นพระอริยนี่ไม่ฆ่าพ่อแม่แไม่ทําปิดตุฆ่าไม่ทํามาตุฆ่า ไม่ทำอาหารตะคะไม่ทำโลหิตตุบบาบาไม่ทำสาหรับนี้แต่ถ้าคนที่เป็นปุณณชนเนี่ยสามารถจะทำมาตัวค่าตีตัวค่าโลหิตตุบบาบาสังกัดนี้ทักอาหารได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปสะลาใจที่ว่าเราไม่ทำแล้วไม่จริงถ้า ม, มันมีโอกาสไม่ต้องอะไรไปดู คือถ้าหากเป็นพระอาริยบุคคลเนี่ยท่านตายแล้วท่านจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานแต่ถ้ายังเป็นปุโรชชนอยู่เนี่ยที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยมิส ม, มู้ดหนึ่พ่อแม่ตายแล้วไปเกิดเป็นปลาเราก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เอาแล้วข้าพ่อก้าแม่เลยกมันก็หมุ น, ห ม, นหมุนกันอยู่เนี่ยสมู้ดไปเกิดเป็นปลาวานด้วยมิ กินอาหารเสรีเป็นต่างๆเลยกินปลาเล็กๆเป็นตา่างๆกินเป็นอย่างนี้ไนงะเคยเป็นจอเก้งอย่างนี้กินของฆ่ากันไปว่ากันไปว่ากันมาอยู่นีนักหนังเนี่ยผู้โดยชนก็เป็นอย่างเนี้นั้นที่ผ่านมาในสังสารวัตรเนี่ยเรานี่ทําปีตุกขาบัง้งมาตุกขาบ้างทําอยู่อย่างเงี้แต่อาจจะเปลี่ยนภพนี่ย เผื่ยังไม่ทันเปลี่ยนโค้ดมันทำแล้วก็มีใช่ไหมโอนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวเขาต้องบอกว่าเหตที่จะทำให้สังเวชสลดใจมนนีอยู่กี่อย่างมีอยู่แปดอย่างแต่อย่างมีอะไรบ้างอ่ะอภัยภูมิทั้งสี่คือการไปเกิดเป็นเปรตสุ ร, รการสัตยราชสัตยารกนะแล้วก็ชาติคือการเกิด ชะลาคือความแก่มรณคือความตายาที่คือความเจ็บป่วยแล้วก็มรณคือความตายแล้วก็ทุกข์ในวัฏจะกมูลในอดีตทุกข์ในวัฏจัรมูลในอนาคตแล้วก็ทุกข์ในการสรวิญญาณแปดอย่างเนี่ยก็ามาถามใจเราดูเขาบอกสิ่งเหล่าเนี้ยเขาบอกเป็นเหตุคือถ้าเราได้ดูแล้วเป็นเหตุทําให้เราสลดใจเกิดสังเวช S <S <an> นี่ก็เรามาถามใจเราดูถ้าเราเห็นเด็กเล่นน้อยกำลังวิ่งเล่นหน้าละเราสังเวชสะลดใจหรือยัหรือตื่นเต้นเห็นไหมว่าจริงๆนะเรื่องที่ควรจะสังเวชสลดใจแต่เรามองแล้วมันมันชื่นใจเช่นเราเห็นเด็กเล็กๆกำลังวิ่งกำลังนนหน้าละเห็นปุ๊บเนี่ยเราโอ้อยากจะอุ้มอยากจะโอบทางๆางเขาให้สะหลดใจนะว่าภาวะเช่นนี้เรายังไม่ค้น คือท่าน ก, ก, ก็กล่าวไว้บอกว่าในพจนภาษาใิบุตรกล่าวไว้เนี่ยก็สูตรหนึ่งบอกว่าสัตว์บางจำพวกเนี่ยมีสติสัำประชันย่าในขณะที่ก้าวลงสู่คันแต่ในขณะที่อยู่ในคันาการออกจากคันเนี่ยลงลืมสติคือรู้สึกตัวในขณะที่จะก้าวลงไป แต่ในขณะที่อยู่กันในขณะที่ออกในคันเนีไม่รู้สึกจัตบางจำพวกก็บอกว่าเด็กนองใส่ตบางจำพวกไม่รู้สึกทั้งสามการเลยเข้าไปก็ไม่รู้ขณะที่ก้าวลงตูการก็ไม่รู้อยู่ในคันก็ไม่รู้ออกในคันก็ไม่รู้จัตบางจำพวกเน่ยรู้สึกตัวในขณะที่ก้าวลงตูการแต่อยู่ในคันไม่รู้ออกในคันไม่รู้ สัตว์บางอย่าพวกเนี่ยรู้ในขณะก้าวลงสู่คันและขณะที่อยู่ในคันแต่ไม่รู้ในขณะออกจากคันสัตว์บางอย่าพวกก็คือว่ารู้ทั้งในขณะก้าวลงสู่คันอยู่ในคันแล้วก็ออกจากคันมีท่านกัลธิบายบอกว่าปุถุชนอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่แะในขณะลงสู่คันก็ไม่รู้อยู่ในคันก็ไม่รู้ออกจากคันก็ไม่รู้ ก็บรรดาบริโภคเลยแต่ถ้าคนที่จะเกิดมาเพื่อเป็นอาสีติมหาสาวกสาวกผู้อย่างของพระพุทธเจ้านี่อันนี้ในขณะก้าวลงสู่คันไม่รู้แต่ เ, เขารู้นะก่อนที่เขาจะตายเขาจะมาเกิดอยู่ในคัน เ, นเขารู้แต่พอไปอยู่ในคันเนี่ไม่รู้ออกจากคัก็ไม่รู้แต่ เ, เขารู้ได้การ แต่ถ้าเป็นภาพปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือเป็นอัคคาสาวกเช่นพระโมคคะลาหน้าภาษาพุทธเนี่ยในขณะก้าวลงสู่คันเขาก็รู้ในขณะอยู่ในคันเขาก็รู้แต่ตอนออกจากคันไม่รู้แต่ถ้าระจับพระพุทธเจ้าที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยขณะก้าวลงสู่คันอยู่ในคันออกในคันรู้ทุกซับกันที่เรียกว่าในขณะที่ก้าวลงสู่คันเนี่ย บางก็บางเพวกท่านรู้พอไปอยู่ในคันก็รู้อย่างเช่นพระโภคัสอยียาพระอัคคละสาวุคแต่พอตอนจะออกยังไม่รู้เพราะว่าคนเราเวลาจะออกจากคันเนี่ยไอ้ลมกามชว่ะมันจะมันจะพัดกลับบางคนพัดอยู่หน้าเลยนะพราอย่างพระสอวะรีเนี่ยพัดอยู่ตั้งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นเจ็ดปีอะ ทำกำหนักหยาเออกหยดท่อไม่ได้หมุนไปก็หมุนมาสมัยก่อนก็ไม่มีการตาาัดตัดอะไนีคือมันจะพัดก็ปกติจะได้ของอ อ, อ, ออกก่อนใช่ไหมคือพักเอาหัวลงข้างล่างแล้วช้างมันจะบนหมุนนียลงกำปั้วแล้วก็เบียดเสียดออกมาในช่องในช่องที่ข้อออกมาเนี่ยถ้านอุปมาว่าเหมือนกับช้าง ที่รอดออกมาจากช่องต้นตามวงทรมานะเนียเนื้สัตว์ลืมมาบางังคิพวกลืมยกเว้นพระโทีิสัตว์คีไม่ลืมความเจ็บปวดจะทรไม่ลืมหมดเลยลักษณะอย่างนี้บอกว่าฐานะและอาฐานะเนี่ยเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและอาฐานะเนี่ยบุคคลที่ฝึงพร้อมด้วยคิดถีเนี่ยนะ จะถึงถือศาสดราอื่นนั้นไม่ใช่ฐานนะเกิถ้าถ้าถ้าโสดาบันเบต้นเหล่านี้นะถ้าใครได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเบต้นเหล่านี้แล้วเนี่ยพอ ต, ตายไปอีกพบหนึง่งไปอยู่พบหนึง่งจะไปถือศาสดราอื่นไม่ได้ฐานก็จะมีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็ น, เ ป, นเป็นศาสดาอยู่แล้วแต่ถ้าบุตรชนนี่เป็นถือศาสดราอื่นมีเป็นฐานหน้าที่มีไนดะ้ ังนั้นความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและอัฐฐานะรักตัวไหนอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกจัดเป็นฐานะหรืออย่างที่ได้กล่าวไว้อนั้นก็เป็นฐานะเหมือนกันยกตัวอย่างที่รูกว่าปัญญาสามารถในการกําหน ด, ดฐานะว่าโสตวิญญาณเป็นต้นย่อมไม่เกิดขึ้นในการทำจกักปูเป็นที่ตั้งจะหมายความบอกว่าโสตวิญญาณแม้อาศัยจกักปูก็ตาบเกิด น, นะเป็นอัฐานะคือไม่ใช่ฐานะที่จะดีนะ เด่นที่เป็นต้นเลยนะดัง น, นั้ก็ไปทำความเข้าใจเขาบอกว่าทีิศนในพระธรรมที่นนี้ย่อมรูชาดว่าข้อที่บุคคลผู้ปลุยบูด้วยที่ฐิเพึ่อเข้าไปยึดสำคาญในลายว่าเที่ยงนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีนะเป็นต้นหลังนะก็ทำความเข้าใจอันนี้เป็นฐานะออนะและฐานะประการต่อมาคืออัฐวันจากอรัชวันจาก อาชะวะก็แปลว่าความซื่อตรงรัะชชวะก็แปลว่าความละอายเหมือนกับรัชชีอันเดียวกันอาชวังไม่แก่ความไม่ตรงอาชวังนีเนี่ยสามชนิดคือโคมุตตวังกตาจันทวังกตาและนังคณโกติวังกตาเขาก็บอกบอกว่า ภิกษุบางรูปในปฐมวัยกระพฤติในอเนสนาและอโปจรคือท่านยกตัวอย่างวละคือในปฐมวัยเนี่ยตั้งแต่บวชมาจะถึงอายุยี่สิบห้าปีเป็ตอนต้นเหล่านี้ก็ประพฤติในอเนสนาอโจอปจรสรพฤติไม่ดีอะวะแต่ในมชปิมวัยคือวัยกลางคนและปัิมวัยเป็นพวกมีความอายละเอียดขี้ศึกษาเช่นนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าโคมุตตะวัง ก, กาตาคตดตะโคมุต ถ้าว่าโคมูดที่เราจะโคมันเดินไปแล้วก็ถ่ายตัตะวะนไปมันจะคดคจะมันไม่ตรงรอเนี่ยคดเหมือนโคมูดไม่ว่าโครหรือมวยว่าเดี๋ยวงัวค ว, วายนี่นะไม่ต่างกนนันเวลาเดินแล้วเดินไอถ่ายตัตะวันไปนมันจะไม่ตรงบางคนก็นเหมือนกันในบัตรมมวัยเนี่ยโอ้ยทําไม่ดีมาเยอะ แต่พอในมัดจิ ม, มื่วัยแล้วติต่มมวยัยติดตรงใช่ไหมี่พโพลีเ้ยนมคืออยู่ในวัฏฏ์เมื่วัยนี่ก็พื้นผิดอะไรมาเยอะแยหมดมีเยอะนะถ้าบวชนะบางคนเนี้ยก่อนบวชมานี่โอไม่ทำอะไรไม่ดีมาเยอะพอมาบวชก็เออพอเริ่มมวักาคนมาเริ่รมคิดอะไรได้ขึ้นมามีเรื่รองตองอันนี้ก็เปนปรเภทแรก ภิสูุบางรูปในปฐมวัยและปัจฉิมวัยบังเพนจา่าตุกปริสุทธิศีมีบารายังเอียร์ไข้ตการศเสษาแต่ในมัชชิมวัยเหมือนการรูปก่อนอันนี้เป็นจันทว่งางตาโคตรือนดวงจันทร์คือตอนต้นดีตอนกลางไม่ดีมาตอนด้านปายชีวิตดีปฐมวัยเนี่ยคือปฐมวัยเนี่ยดีมาก บง่งเป็นจตุปริสุทธิสินสีบงสังเป็นปาิโมกสังวรสีจิตติสังวรสีอาชีวปริสุทธิสีนปัจจัยสันนิสิตาสีนะูมบนบ่งเป็นดีผมเาว่ามันสึงเมื่อระมาดพอเข้าปัจจิเมื่อไหก็เลยทำดีมันก็เลยโค้งเหมือนดวงจันเลยเขนะ้าใจไหดวงจัน ม, ม, มันไปโค้งตรงกลางมันไปโค้งกเรียกว่า คดดังวงจันทร์จันท์ท้าวังกาตาวังกาตาแปลว่าคุณพิสุยครูปหนึ่งนั่งใ น, นปฐมวยัยมาชิมวยัยบางเป็นจ้ตัปริสุทธิศี่สีมีความละอายรังเกียจไข่ต่อการ ศ, ศ, ศึกษาแต่ได้ปักชิมวัยเหมือนกับรูปเก่อนอนาๆอันนี้ก็เรียกนางกราโกติวังนากาคนเหมือนายไถ่ใบไถ่ยนี่มันคดของปลายใช่ไหม ต้นมามันตรงการแล้วตรงนี้แล้วตองปลาป็มอลงนี่มันคดมันไปลายไพิกูกรูปหนึ่งละความคดทั้งหมดคือไม่คดทั้งต้นกลางและะ้วก็ปลายมีสีมีความลายและเอียดแล้วก็ไห่ในการศึกษาทั้งสามวัยอ่ะทั้งกระเทมวัยมาถิมวัยปัดถิมวัยความตรงของพิกษุนั้นชื่อว่าอาบชวัง แค่วันนี้เป็นอัค ว, วังบบซื่อตรงอย่างนี้วะตรงทั้งปมวยปัจจุบมวัยปัจจิบวัยตอนนี้ปัจจุบวัยแล้วไงตอนนี้คนไม่ตรงแต่ตรงน้วแงอย่ไปค้เป็นงอนไถ่เลยเป็นทางไถ่ น, น, ถ น, น, ถนี่เขาเรียกอัชวังความป็นพูดตรงอัชวังนี่เป็นคุณธรรมเราไม่ได้ไปยินไอยู่ข้อกันในทศพิราชธรรม ความบิดความซื่อตรงฉันโคซื่อตรงก็ต้องอธิบายให้ถูกด้วยว่าตรงตรงนั้นตรงเองไงตรงในบระถมวัยไม่คิดวัยไ ม, ม่ตัดคิดมือส่วนรัชวานี่ก็แปล ว, ว่าความละอายส่วนอัชวังในที่นั้นก็แปล ว, ว่าไม่โกงไม่คดไม่งอ ความตรงความไม่งอเป็นต้นรัชวังด้แก่ความเป็นผู้มีความละอายละอายด้วยสิ่งที่ควรละอายละอายต่อการกระเพิดบาปอกุศลธรรมเนี่ยเพรารัชวังไม่ตาอะไรกับที่เรียกไม่ตา่างละอายต่อบาปลาักษณะเหมือนกันประการต่อไปก็คือขันติจากโสรจันโสรจันจกัก ขันติความอดทนโสดจากความเสียเงียบมาทําความเข้าใจในเรื่องขันตินั่น่ อ, องโดยมากการเจริญการบำเพ็ญขันติกันโดยมากจะทํากันไม่ค่อยถูกขันติได้แก่ที่วาชนาขันติที่ท่านกล่าวไว้บอกว่าขันติคืออะไรความอดทนความกดกั้นความไม่เดือดดานความไม่หุนหันพลันแล่งความใจเย็นแห่งจิต อันนี้เป็นขันตีเนี่ยอดได้ทนได้เพื่อบรรลุถึงความดีและความมุ่งหมายอันชอบเขาบอกว่าขันตีเนี่ยเป็นธรรมที่ทำให้งามในคู่กับโซรจารความอดทนและความอดกั้นเนี่ยส่วนโสรจารในความเรียบร้อยทีนี้ท่านจะแสดงเทว้บอกว่า ทมที่ทำให้งามขันติและโสรัจรักรในวินัยของพระองค์เล่าเรื่องของอะไรทีฆาวุบุมาผู้ใช้ขันติโสรัจรักตามคำรับสั่งของพระเจ้าทีติโคสรราชผู้เป็นราชบิดาแล้วก็ะจะเล่าเพื่อกระจับความบากหมางแตกแยกของภิกษุษสงฆ์ในกรุงโกสัมพีใช่ไหมพระเจ้จะเล่าตัวอย่าง เรื่องทีฆาวุปุมาไม่เคยเรียนนี่ใน พ, นนะพระนครสาวุภราสีเนี่ยมีกระสับสองพระองค์เนี่ยเฮีย น, นาเขตปกครองติดการก็คือพระเจ้าสมมทัศกสิกา ร, ราชเป็นกระสับที่มั่งมั่งคังมีราชสมบัติมากนี่ก็มีรีพนมีพระราชพานมากแล้วก็มีพระราชานาจากระใหญ่ส่วนพระเจ้าทีคิติ โกสวรรณาลกษเขาเป็นกษัตระส์ที่ตกกันข้ามแล้วก็มีพระราชาทับสมบัต่น้อยมีพระเจ้าปรรมทัศกาลศิกราชเนี่ยกีดทาทับเขายึดอาณาจักรของพระเจ้าทีคิติพระเจ้าทีคิติเนี่ยรู้ว่าสู้ไม่ได้ก็ทิ้งทับแล้วก็ทาเข้ามาเหยียสีออกนอกพระนครหลงเข้าไปยังเมืองของพระเจ้าธรมทัศน์ก็ะปองแปลงเป็น ปณิพาชกอาศัยอยู่ในบ้านชังโมต่อมามเหสีก็ตั้งคันก็แพ้คันไอแพ้คันแปบกคือต้องการอยากจะเห็นอยากจะทอดพระเนตรขบวนทัพโหแล้วก็ต้องการอยากจะจ้วยน้ำล้าง พ, พระผาขันพระเจ้าทีคีติเนี่ย ก็เข้าไปพบสหายซึ่งเป็นทรากรหิตของพระเจ้าพระมทัศขอให้ทำในสหายและช่วยสหายที่เป็นท้าก็คูลกับพระเจ้าพระมทัศว่าอารุณรุ่งพรุ่งนี้เป็นยมิตรที่ดีที่จะจัดข บ, บวนทัพได้จับมีราชพิธีน้ำล้างพระขันธ์ด้วยพระเจ้าพระมทัศก็ทรง ม, มีพระบรมราชโองการตามนั้นพระมายสีของพระเจ้าทีกีติเนี่ย ได้ทอดพระเนตกรบวนทับและสะวยน้ำล้างมาขันต่อมาก็ประสูติโอรสก็ตั้งชื่อว่าทีคาวุกุมาทีฆ่าแปลว่า ย, ยาวทีคาอาคาวุธก็คืออาวุธนิสกุมารผู้มีอาวุธยาวพระราชบิดาและราชมารดาทรงส่งไปหลบนอกพรคงศรและให้ศึกษาศิลปาะสำเร็จุกสาขา ต่อมาพระเจ้าทีคีตีและก็พระมเฮศรีถูกช่างกับระบบแจ้งให้พระเจ้าพระมทัฎจับมัดไว้แน่นก้อนขกเกตก้อนผมนลยนะนาไปตะเวนตามท้องถนนเป็นเวลาเดียวกันที่ตอนนั้นทีเขากุมานเนี่ยสเสด็จลักรอบเข้าเมืองเพื่อเยี่ยมพระราชบิดาและมันก็ทอดพระเนตรเหตุการณ์นั้นพระเจ้าทีคีตีทอดพระเนตรเห็นขณะพระกุมาสเสด็จเข้าไปใกล้ ได้ตัดพระบรมราโชโองการแก่ทีขาวกุมารบอว่าพ่อทีขาวเจ้าใหญ่เห็นแก่ยาวเจ้าใหญ่เห็นแก่สัน้นเวีนทั้งหลายย่อมไม่ระ ง, งับได้เพราะจองเวีนเลยแต่ย่อมระ ง, งับได้เพราะไม่ยองเวนีนพระเจ้าทีทีติเนี่ยตรัสสามครั้งจนทหารเข้าใจว่าเป็นคนเสียสติทีนี้เมื่อทหาร นำไปจนทั่วเมืองแล้วก็บังพวร่ากายออกเป็นสี่ท่อนวางไว้ในหลุมทั้งสี่ทิศข้านี่ยพระราชกุมารได้ออกอุบายเลี้ยงเล้าเลี้ยงยาแก่พวกทหารจนสามารถถวายพระเพลิงพระศพทั้งสองให้แล้วก็เข้าไปในป่าแอบเข้าไปในพระนครแล้วก็เข้าไปอยู่คนเลี้ยงช้างหลุม ท่านหนึ่งเวลาเช้าตู่ก็ขับร้องและดิดพินจนพระเจ้เากรมาท่านได้สดับก็รับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็กลายเป็นผู้ใกล้ชิดทีนี้วันหนึ่งเนะพระราชาต้องการจะออกป่าล่าเนี้ยนกะ็เสด็จไปไปกับทีราหูบุมาแยกออกจากกองาหารติดตามไปไกลจนเหนื่อยรับสั่งให้หยุดพักใต้ต้นไม้พระราชาได้ภากระสีบนบนตักของทีเา้าบุมา ตอไอเรื่องนี้เขาไปทำเป็นหลักสูตรเรียนสมัยก่อนแต่เอีนี้ไม่มีแล้วระหว่างบรรทมเนะี่ยทีเขาโกงมาเนี่ยนะชักดาบก็แสงขังนะหมายจะพงพระชนทั้งสามนะนึกถึงพระบรมอพระบรมลาโช ว, วาดของพระบิดาสามนะโปรดพระราชทานปืนสมบัติทุกอย่างในทีเขาบอกว่า จับผ้าหัดสาบานเพื่อไม่ทําร้ายกันต่อมาทีครูภคุมมาได้กราบทูลอธิบายความหมายในการรับสัมภาระสิบดาต่อพระเจ้ากรมคัตว่าเจ้าจะเห็นแก่ยาวหมายความว่าเจ้าจะได้จองเวนี้ยืดเยื้อเจ้าจะเห็นแก่สั้นหมายความว่าเจ้าจะแตกคราวกับมิตรเหนนะเออดีอย่าเห็นแก่ยาวกับใหญ่เห็นแก่สั้น เห็นแก่สร้างแต่ดีอย่าไปแตกนิดอย่าไปแตกาตราวกบิดเลกพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขันติโสระจกเห็นปานนี้ได้มีแล้วแก่พระราชาเรานะผู้ถืออัศยาผู้ถือสัตราวุธก็การที่พวกเธอบวชในพระธรรมวินยัยอันเรากล่าวดีแล้วอย่างเนี้ยจะพึงอดทนและสงบสเสงียมก็จะพึงงามในพระธรรมวินัยนี้โดยแท้ทีนี้ จะเห็นว่าขันติมีบทบาทในการควบคุมความโกรธฉะนั้นอภิวาชนะขันติเนี่ยส่วนโสรัจารยังมีบทบาทในการควบคุมความโกรธไว้ได้เช่นยิ้มหรือพูดเป็นปกติเป็นต้นเนี่ยในปรมัตถโชติกาอัจฉริยะท่านกล่าวบอกว่าขันติหมายถึงอภิวาทนาขันติภิกษุประกอบด้วยขันติแล้วย่อมไม่มีอาการผิดปกติมั่นคง เป็นผู้เหมือนไม่ได้ยินเสียงด่าที่บุคคลด่าด้วยอักโกสวัตถุคือก็ด่าด่าด้วยคาพูดสิบอย่างโอ้คือถ้าเขาด่าแล้วเนี่ยสามารถข่มความรู้สึกไม่โกรธเสมือนหนึ่งไม่ได้ยินเสียงด่าหมือเช่นเขาด่าถึงชาติกำเนิดถึงโคตรถึงรูปพันถึงสันฐานและเป็นเหมือนคนผู้เบียดเบียนตเดงเหมือน เหมือนท่านคันติวารีดาบทดู็ถูกพระเจ้าการสิทรมานและก็ปิดชีวิตด้วยความไม่พอใจที่นางสนมกํานันทั้งหลายไปนั่งร้องฟังทำมรรคาเรื่องคันติของคันติวารีดาบทแล้วก็รับสั่งให้ตัดแขนทั้งสองแล้วก็ถามกระชด ว, ว่าท่านคืออะไรดาบทก็ตอบว่าคันติดาบทยังตอบเหมือนเดิมสุดท้ายจึงเอาจึงคว้ า, ามีดดาบแทงหน้าอกดาบท จะสิ้นใจแผ่นดินไม่อาจจะรองรับพระเจ้าขาสีได้กรณีก็แยกสูตรถ่ายกวยตัวอย่างนี้นี้ลักษณะน้คันติอีกอย่างหนึงะะ่งถ้าขย่ยยตัวอย่างบอกว่าพระคุณะเขละได้ใช้รันติมองโลกในแง่งดีไว้เสมอในการทูลต่อพระพุทธเจ้าถึงการไป จ, จำปาศาทีสุนาปราตตัตัวท่านไม่กลัวชาวสุนารต์ผู้ดูละทำร้าเอารือ ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าชาวสุนาปรานต์จัก ด, ด่าบริภาทข่าพระองค์และสายในข้อนะั้นข้าพระองค์จักใส่ใจว่าผู้คนชาวสุนาปรานต์เหล่านี้เป็นผู้จเจริญดีหนอที่ผู้คนเหล่านี้ไม่ตีค่าพระองค์ด้วยมือดังนี้เป็นต้นคือคือถ้าเราจะไปหาใครถ้าเขาด่าแล้วก็ทําความก็จะมองโรคในแง่ดีโลวกว่า ก็ดีนะเขาไม่ได้เอามือมาทุบมาตีเราถ้าเขาเอามือมาทุบมาตีเราก็ดีนะเขาไม่ได้เอาก้อนหินเลือสัตวามาทุบถ้าเขาเาสัตวาก้อนหินมาทุบ ก, ก็ดีนะเขาไม่เอามีดอะไรต่างมาทงแทงเราถ้าเขาเอามีดมาแทงเราอก็ดีเหมืมอกมนกันร่าง ก, กายนี่มันก็เป็นเป็นของที่มันหน้าเบื่อนหน่ายอยู่ถ้ามันดับมันหมดไปโดยที่เราไม่ต้องพยายามอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันคิดอย่างนี้ไปร่างกายเลย เแสดงกิงิไผ่ได้กิจิไผได้เลยลักษณะอย่างนี้คือยขันติแล้วท่านจะยกพระอย่างไว้เยื่อนเนี่ยผู้ประกอบด้วยขันติเนี่ยจะเป็นที่สารเสริญของบุคคลโดยทั่วทั่ไปก็คือว่า แม้แต่ฤาสีเป็นต้นเหล่าเนี้ยเทวดาท้าส ก, กาัดเทวดาจาาัดเอาผู้ใดเป็นคนแข็งแรงหดกัน้นแต่คนอ่อนแอต่อสัตว์ปุรุทั้งหลายสนัส่นสนิทผู้นั้นชื่อว่าเป็นเยี่ยมเพราะความอ่อนแอต้องอดทนอยู่เป็นประจำคนเข้มแข็งควรอดกัน้นอาภัยไม่ตอบโต้แก่คนผู้อ่อนแอส่วนคนอ่อนแอมีภารกิจที่ต้องทําประจําก็คืออดทนเสมอเลยเป็นอย่างนี้ไนงะ เขาบอกว่าคนที่แข็งแรงเนี่ยเขาเขาก็ดีเขาก็ไม่ต้องไม่ต้องอดทนอยู่ตอลอดเวลาแต่คนไหนอ่อนแอเนี่ยภา oh. รกิจที่ต้องทำก็คือว่ามันอดทนอยู่เสมอเพราะในชีวิตจริงๆเนี่ยต้องอดทนใช่ไหมต้องอดทนอดทนต่อนหนาวต่อร้อนต่อสิ่งที่มันไม่ได้คิดดับใจอะเยอะแยะหมดเลย ถ้าขาดฐานเตียนจะแล้วเนี่ยไม่งามต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยบอกว่าไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนเป็นนั้นมากคือไม่เป็นที่ผู้ใครชมชอบคนที่ไม่มีความหมดทนเช่นร้อนเหน่อยหนาวน่อยหิวหน้อยอีอาวุไลคนต้องไม่ใจกลางเนาะ ไปแช่ความเวทนิดเดียวก็ บ, บน่นนิดเดียวก็บ่นเนี่ยคนยิงอายุมากๆขึ้นต้องอดทนที่มากนะบทีเราทำเองอะไรไม่ได้ทำไมไปบน่นมากๆเขาโอหเคยไปอยู่โรงพยาบาลหิวเขก็หิวพยาบาลเ้าก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรจะไม่โรงพยาบาลของรัฐดิพี่โอโหเราก็กลัวไหมดเวลามันก็เราก็จะทำไม่ได้บาทีเหลือสิบนาทีจะหมดเวลาเขาทิ้งออกมาเขาไม่ส น, นใจเรา เป็นเงี้ยเรเคยบางทีหมดเวลามาแล้วเราก็สู้เฉยไม่ได้แล้วต้องมดทนนี่เจไม่อดทนเราก็โกรธที่รู้ใจเรื่องอะไรคนณก่งเบอกว่าทำไมไม่ยอมมาเรื่อยที่มีชาวบ้านหม่งอะไรกค่นี้เราโกรธสมัยก่อนไปสมัยก่อนตอนเป็นข้าว่าที่จะทนา เฮ้ยโย่พ oh. yeah. <laughs> hey, hey, hey. ่อสมไมถึงนานนานกินข้าวเลยแกไม่่อยอย่๋ย่เราก็หยดไม่ได้คุยวับแกแล้วสองสาครั้งแก็ยังขุดคนาเฉยอย่เลยนะที่หดทนจริงเจ็ดโมงก็แล้วเขาไปทามาตีสี่ตีสี่ตื่นแล้วใช่ไมเป่เป็นนาไปได้ยังไงทาไปทำเอ้ห ตีสี่ตีตห้าหกโมงเจ็ดโมงแล้วเนี่ยแกยังไม่ละจบโอ้โหช่างย้อนแรงเลยเนี่ยฉันถึงแปดโมงบทีจนจะเก้าโมงได้กินข้าวแต่มันไม่ได้แก่ไม่แก่ไม่หิวแกทำมาก่อนแล้วเราเคยด่เรายังยังอายุยังไม่น้อยว่าอยู่อย จะไดูที่ไหนได้เราเขาไม่ค่อมล้วมัโมโหโมโหทํามไอ้ก่อนก็ไม่รู้อะไรโมโหก็ขุดดิบแรงแรงโอ้ขุดดิบแรงแรงเดี๋ยวนี้คนรควรก่อนกับนาแล้วไม่สนติดขับไปที่บ้านไปดูไอกทุ่งนาที่เคยไปขุดไปไว้ดูแล้วรู้สึกเบื่อมากๆไม่ แต่ดูยอ้อนพ่อยังไม่เคยเบื่อไหนแกกลับดีใจเราเป็นคนงานจะทาอะไรไว้เนี่ยก็เลยบอกกันนิยอมเนี่ยมันยึดผิดติดอย่างนี้มากๆว่าสายเกิดเป็นนกเป็นหนูอยู่แถวนี้ทำไงแกจังวลว่าเอาแบบนี้เลยแต่เลยแกไม่รู้เลยว่ามันไปยึดติดอะไรแล้วมันจะไปเกิดแถ ว, แถ ว, แถว มีเวรมากในคนคือคนที่ไม่มีความอดทนเนี่ยมีข้ออ้างในการร่วงเกิดผู้อื่นนั่นเป็นที่เกลียดชังและปองร้ายจากบุคคลที่เราเช่นรู้แก่โทสศการฆ่าสรัาา่าคนขวาดหวั่นกลววเจ้าของหรือหู่ญาติเขาจะมาทําร้ายคนที่ไม่อดทนเนี่ยใครมานน่นก็กะตอบโต้ข้างในก็เป็นรณา ประการต่อมาก็คือว่ามีโทษมากพบกับใครก็มากจะพบได้ไม่นานเก็บเพื่อกเล็กๆน้อยๆมาเป็นอารมณ์ขัดแย้งอยู่เสมอและได้รับโทษมากไม่อดทนประการต่อมาก็คือตายโดยการหลงหลืมสตินะอย่าลืมนะคนที่ข่ะไม่ควบคุมจิตใจใทนได้เพราะจิตนั้นคุ้นเคยกับความหมงุดหงิดความรำคาญและความโกรธ นิพพานไปแล้วก็มีอบายทุตติวิิบัตในโคก็เป็นที่ปัจนนั้นโทษของกลางไม่มีขันติและก็โสรจักรนี่เป็นนี้ประการต่อไปก็คือว่าสาขันยัญจักปฏิสันถาโรจจ์ สาขัญญาเขาแปลว่าความเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานปฏิสันถารคือตามต้นับคำว่าสาขันยังเนี่ยได้แก่ความเป็นผู้ร่าเริงอ่อนโยนท่านกล่าวไว้บอกว่าในบรรดาคาเหล่านั้นสาขันญาคืออะไรความเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานมีวาจาไพเราะความมีวาจาไม่หยาก ในท่านผูรละค่อยคำมันหยาบช้าสมานเผ็ดร้อนดูด่าผู้อื่นชวนโกรธไม่เป็นไปเพื่อความสงบเช่นคือละความรู้สึกเรือวาจาเช่นนั้นเสร็จแล้วเนี่ยพูดจาแต่ถ่อยคำที่สุภาพสอกหูน่ารักถูกใจทันสมัยเป็นที่พอใจรักใคร่เพงชนหมู่มากอันนี้เ็าเรียกว่าสาขัญญาเรื่มมาจากคำว่าปียวาจาปียานี่ก็แปลว่าที่ัก วาจาเนี่ยแต่ว่าคำพูดปียาวาจาก็แปลว่าคาพูดนัด่เป็นที่รักสาถันยางก็แปลว่าวาจาอ่อนหวานแต่อ่อนหวานในที่เนี้ยในคําสอนเนี่ยมันต้องอ่อนหวานแบบเช่ดที่ที่ออกจากความรู้สึกที่เป็นจิตที่เป็นบุญเนี่ยเมื่อเมื่อวานเนี่ยไปได้ยินค้ากันเทศ ที่พระท่าพูดนะแต่พระท่านเอามาเอามาเล่าฟังแล้วคือมันมันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยฟังดนะูแล้วไม่ใช่เรื่องจริงแต่ท่านก็มาเล่าออกทีวีเลยนะท่าานั่งฟังเออ่อฟังพระท่านเทศน์ด้หน่อยพอฟังเลยจาําำดามท่านเล่าไปแล้วเท่าเล่าบอกว่าเออมีโยมคนหนึ่งว่านมะั้นแกอัศคัดผมอัศคัดผม แต่ใช้สัตล์ว่าอัตคัดเกสาษรหัวหัวล่าทีนี้ก็แกแกมีวัวอยู่สองตัวก็จะขายตัวเล่ามีวัวอยู่สองตัวใครไปหาก็จะไปซื้อเขาเรียกแกเฮ้ยหัวล่ามันจะขายแกก็ๆๆน้อยใจว่าน้อยใจใครก็ไปพูดกระแกไม่ดีไม่ค้ายทีนี้มีอีกคนหนึ่งเข้าไปแล้ว พ่อของพอตกอะไรหน้าไรเฉินทองวัวทั้งสองนี่พ่อจะเอาเท่าไหร่ <c oughs> ดูพาะเทศเป็นป น, นิจ า, า, า, า, าเป็นนิจตาตาลูี้าเมือเล่าี่บอกมาค็นไอคนนี้ก็าบอกวาลูกเลยลูกครูเจ้านีพูดผรูหูวัวแล้วพูดพ่อยกข้าย <c oughs> เกเตรสิครับปาง จำไม่ก็จะถึงก็สรุปแล้วได้วัวจงวัวไปเจอลูกสาวลูกสาวก็ะไปเอาวัวใช้ไปทำไมพ่อจะไปอยู่วัวพ่ออยู่ไหนหัวละให้คู่ก่อนเลยเลยเนี้ยโหด่าพ่อไวหัวละลูกชู้วิ่งบอกพ่อพูดดีีรู้พดีดีหนรับเาด่าพ่อหัวลูก นี่ถือว่าตักวิ่งไปไปนั่นเห็นไหมถือว่าตักวิ่งมาแล้วว่ะวันพ่อสมดกปกหลังพ่อวิ่งล า, ลาลาลามี่พ่อจะไปทางไห น, <c oughs> <c oughs> นไม่ค่อยค่อยออกกี่รุ่นแล้วลูกเผยลูกลักเห็นเจ้าไม่มีประตักพ่อเลยนําออกมาให้ว <c> ะ <oughs> ได้ก็ตัดเดินกับถึงป้าเขามาครับเข้ามาลูกสาลูกสาวว่าก็เลยบอกเฮ้ยมึงพูดดีจริงจุงมือลูกสาวเห้นงงนั้นเย็นชาไม่ได้การแล้วเอาพยานมาดูก็กเลยทักขึ้นเดมกรลูกเลยก็เลบอกว่าพ่อผมตกปกกลกเก้าจุงมือลูกสาวที่พ่อจะไปทั้งหม รูกใส่กแก้ว พ, พ่อนี้มันแก่แล้วเอารูกสาว ม, มาให้ก็อะไรก็อยา้เห็นไหมครับพูดดีได้ได้วัวได้ประตะได้ลูกษาวฟังนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่เขาเล่ามีนันขำๆแต่ที่จริงสาขันยักษไม่ใช่ไม่ใช่คําพูดแบบนี้ถ้าพูดลักษณะนี้มันไม่ได้ออกมาจากผู้ส่วนจิตมันออกมาด้วยความยินเล่เนอย่อันนี้ไม่ใช่ คือคาพูดจาเนี่ยอ่อนหวานความวิจารวาจารเพลาะไม่หยากแล้วก็รักค่อยคําที่หยากสามารถคําเผ็ดร้อนคําที่ดุเดาเนะี่ยคือคาที่ชวนให้โกรธคาที่ไม่คือพูดแล้วไม่ทําให้คนอื่นเขาสงบนะไม่ใช่ฉะนั้นพูดจะถ่อ ย, ยคาที่สุภาพสนอสด น, น, น่ารักถูกใจแล้วก็เป็นที่พอใจ เพราะคนหมู่มากอันนี้เรียกสากัญยอะส่วนปฏิสันถารูเนี่ยได้แก่การรับรองด้วยอาวุธและก็ด้วยธรรมเหมือนกันปูต่างด้วยเครื่องราชโดยลักษณะที่โลกสันนิวานัานี้เช่นต้งแปลว่าการการรับรองนยเช่นมีคนไปมาหาสู่ก็มีน้ำ ม, มี อาหารมีอะไรต่างๆรับรองนี้ก็เรียกอมิตรปฏิสันฐานปฏิสันฐานด้วยอามิตส่วนคำมาปฏิสนานรับรองโดยทำรับรองโดยทำก็หมายความว่าตรงนี้ก็หมายถึงเกี่ยวกับใ น, นเรื่องของความรู้เป็นต้นเหล่านี้นะท่านบอกว่าถ้าจะคำมาอามิตรปฏิสันฐานแก่มารดาชาววดวิยาพระราชาวชน ถึงจะไม่ถือสาส่วนดีไว้ก็จะให้เขาปวดเพราะเมื่อถือเราเสียก่อนแล้วจิงให้เช่นนี้พระราชาชนย่อมทำความพินาศนะเขาบอกนะยกตัวอย่างนี้นะถ้ามีคนเป็นใหญ่เป็นมีอำนาจวาสนามาเนี่ยจะมาบ้านเราเนี่ยถ้าไม่ต้อนรับให้เราเสียหายด้วยนะถ้าไม่ต้อนรับ อ, อยู่เสียหายเนี่เ ย, นยเช่นเขาบอกว่าเออผู้หลังผู้ใหญ่จะมาที่บ้านเนี่ย ก็ต้องตอนรับนั่นเรียกอาวิสสปฏิสถานส่วนธรรมะปฏิสถานก็คือปฏิสถานโดยโดยธา ร, รมาก็คือว่าให้สิ่งที่ดีๆในด้านของกรรมแนะนําข้อสอนต่างๆอย่างๆๆนี้นะปฏิสถานนี้เป็นคุณธรรมที่พระควรปฏิบัติเช่นพระเวลาเจอกันเนี่ยนไปม า, าสู่เดท่านจะต้องทําปฏิสถานปูอาสนะให้จัดที่พักให้ไรให้ให มีน้ำหรือมีแรงต่างนวดเป็นอะไรต่างนี่เป็นนามิสแล้วก็เป็นการกล่าวธรรมาปฏิสฐานนะคุณเจริญธรรมะฐานข้อได้อะไรต่างมาปารบสนทนานันน ah? ี้นั่นเป็นธรรมะเพราะก่ออันนั้เป็นธรรมะปฏิสฐานการตั้งองค์คด้วยธรรมคือให้บุเทศอธิบายบาลีกล่าวธรรมะคาถาเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นก็เป็นธรรมาปฏิสฐานพ้ยังสมมติเนี่ยอย่างเยี้ยเนี่ย ท่าก็มีหน้าที่ในการให้ทำนี่เขาเรียกทำกร่างปดิสัมพานธ์ต่อติตรฐานโดยครรมให้ความรู้ให้ความเข้าใจแล้วก็บอกว่าเออเราจะรัาจะเจริญกุศลยัยงไงใช่ไหมอย่างนี้น่รักกันอยนี้ยังยังเมื่อวาน ก, ก่อนก็ไปเจอไปมีมี ม, มียอมอยู่คนนี้ จะเป็นโลกไตด้วยกันแกแกใช้วิธีว่าแฟนแกทํางานอยู่ตลาดหลักทรัพย์จะเป็นโรคไตอยงเี้แล้วแต่ก่อนแกทํางานธนาคารต่อมาแกก็ลาออกมาก็จะมีเงินอยู่ก้อนแต่แกเปลี่ยนแล้วแกเปลี่ยนาจเปลี่ยนอีกครั้งที่สองนี่ขถาวเดี๋ยวให้รับเงาเงินที่ไหนแกบอกแก็่าแก็ไปไปซื้อ ก็คือให้ให้ภรรยาใหเกดคอยดูตัวไหนมันนันแล้วภรรกก็ไปชิแต่ภรรยาเขาไม่ให้ซ euh ื้ออยู่แล้วทางานอยู่ในในตลาดร้าับแต่ว่าเขาไปสังเกตดูว่าไอ้ตัวไหนมันมีราคาเป็นไรก็ไปซื้องนไมค์ก็ซื้อทีลนิดะนิดชวเวีุริยะพอวันก็ไปที่ทาที่แล้วไปเจอนี่ทาไมหน้าเวสุริโยชยงไปเจอเลย เข า, าเปนะ็นสลับด้วยเนี่ยพิจารณ์อะไรพูดเราลองทักเอาเื่องไม่บอกพระเจ้าพอดีที่จะตื่นกันแน่มันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งก็เลยเล่าให้ฟังตอนที่พูดเนี่ยมัมีเรื่องนะก็เลยบอกว่ามีเด็กสองคนเนี่ยเขาเล่น สมัยก่อนเขาเรียกว่าไอ้เขาเล่นในการบรรนานกันเนี่ยเขาเรียกเล่นสกาที่ไอ้เด็กคนเนี้อเล่นไม่ชนะทุกทีเลยใช่ไหมก็ไม่รู้ไปยังไงที่เข้าไปถามว่าทาไมถึงเล่นเขาบอกว่าก่อนจะเล่นเนี่ยาอ้อนนองพระพุทธเจ้าก็เขาบอกว่าหน้าโมตสระเพระเขว่าโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสระนี่ยขอออนน้อง แต่โวกโหวิวภาพจะพูกไปกับทีเรสตับสะรู้าะจอบได้เลยทุกคนเขานองน้องเด็ดเสร็จแล้วเขาเล่ไม่มีใครชนะเขาได้เลยนี่เป็นเรื่องแปลกอันนี้ไม่ค่อยอยากจะเป็นแน่นอนแล้วเดี๋ย ว, วนนันน้าไปเล่นกัเป็นเรื่องแปลกมนสระเล่ล า, าเองแตที่ เ, า เ, าเราฟนะังอ๋อรองนักถือพระเจ้ามันไม่นอนน้องมาจออา้าของเราสบคู่จปเล่เลยเขาก็เชื่อแีวกว่าแต่ในคาสอนมีนะชนะทุกทีเลยแปลกมา นอก น, อกกน้องก็รุตจาระรเล่นแต่เขาไม่ได้เล่นเป็นอาชีพเขคงจะเล่นเพื่อจะเขาไม่อยากจะแพ้อวิหิงสาจะโสเจยญาญจักอวิหิงสาความไม่เบีย่ยนเบียนโสเจยญาความสะอาดโสเจยญาที่แปลว่าความสะอาดอาวิหิงสาหมายา ห, าหมายเอาอะไรมาเอากรุณา กุณาทั้งปุคภาพแข่งก ร, รุณาด้วยเนะปยุคภาพในที่นั้นก็หมายความว่าความเบื้อนต้นเนี่ยที่เกิดความก ร, รุณาเกิดควา ม, มรรนะสงสารนี่เนี่ยลักษณะของอวิหิงสาหรือก ร, รุณาเนี่ยเวลาเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากแล้วเนี่ยมันทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ขวนขวายในงานที่จับช่วยเหลือ ในอันที่จะช่วยเหลือลักษณะของกรุณาอย่างนี้ดังนั้นลักษณะของกรุณาเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมานี่เนียมันจะเกิดขึ้นในลักษณะว่าเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากเอาแล้วอยู่ไม่อยู่ไม่ได้จะต้องขวนขวายในี่นที่จะพยายามจะช่วยเหลือเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าการุณา สงสารคิดช่วยพ้นทุกข์ป่อยใจในอันจะปลดเปลื้องคํามับทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับสัตว์ให้กับพวกสัตว์ที่นี่ยเพราะว่าการุณานเนี่ยนะทําำไทยของสาชือชนทั้งหลายให้หวั่นไหวในพ่อคนอื่นมีทุกข์คนที่มีอาวิหิงสาเนี่ยนะความไม่เหยียดเบียนเนี่ยเอเวลา เวลาเกิดว่าเห็นคนอื่นเขาทุกตกทุกได้ยากแล้วเนี่ยจิตใจมันหวันไหววันไหวแบบว่าประเภทที่ทนดูอยู่ไม่ได้กรุณาย่อมทำให้ย่อมบําบัดกหรือเบียดเบียนย่อมยางทุกของคนอื่นให้พินาศคนอื่นเขามีทุกเนี่ยเดี๋ยวเราไปเบียดเบียนทุกข้อยหายเลย ไม่ใช่เบียดเบียนซ้าให้เขาทุกข์มากเลยให้เขาความทุกข์เขาหายไปหรือว่าย่อมทําให้กระจายให้ออกไปด้วยการแผ่ไปในสักที่เป็นทุกข์ฉะนั้นกรุณาเนี่ยจึงมีการเป็นไปเห็นอาการช่วยวบรรบัาทุกข์ในเป็นลักษณะแล้วก็มีการกําจัดทุกข์ของผู้อื่นเป็นหน้าที่มีความไม่เบียดเบีย น, ยนซึ่งจะตรงกับคํ า, าว่าอวิหิงสารแล้วนั้นเป็นผลปรากฏ ทีนี้เวลาเห็นจากผู้ตกทุกข์ทอกงามแล้วเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งเป็นเหตุให้กรุรณาเกิดนี่นะมีความสงบจากการเบียดเบีย น, เ, ยนเป็นคุณสมบัติมีความเกิดขึ้นเมืความโศกเป็นวิบัติท่นนานท้ามบอกว่าการุณาเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรทําให้กรุณาหายไปความโศกความโศกนั่นเองเป็นปัจจัยทําให้กรุณานั้นหาย ฉะนั้นกรุณาความสงสารความเอ็นดูสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งกรุณาเจโตมุตการหลุดพ้นด้วยใจอาศัยกรุณานี้เรียกว่าเอาอิงสามเอาอิงสานี่ยนะเป็นทั้งเบื้องต้นในะในที่สุดจริงๆเป็นคุณธรรมชั้นสมาบัติเลยนะฉะนั้นการเจริญกรุณานี่นะเจริญไปเรื่อยๆในนะในที่สุดจริงๆจะสามารถนะทําให้จิต น, นั้นได้ชั้นทานสมาบัติได้เออเป็นไปด้วยการอย่า ง, างนี้เนะนี่เขาเรียกว่า เขาเรียกว่ากรุณาแต่เขาเรียกอยีกศัพท์นี้ก็คือเรียกว่าอาวิญิงสันี่เป็นอย่างนี้ทีนี้เกี่ยวกันในเรื่องของว่าประการต่อมาก็คือโสใจยะโสใจยะทียย่แปลวความสะอาดโสใจยะคืออะไรคือไมตรีก็คือเมตตาสับเดียกวกัน เมตตาก็เรียกสวยใจยากก็เรียกในที่นี้แปลว่าความสะอาดไมตรีก็เรียกความรักสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นทั้งปุกภาของเมตตาแล้วก็เป็นเจดถงเมตตาเจตโดยุทธิตรงนี้ก็ต้องไปดูลักษณะของเมตตาประกอบที่บอกว่ามีความเป็นไปโด ย, ยการที่ประพฤติแต่ประโยชน์เป็นลักษณะ แล้วก็มีการน้อมประโยชน์เกื้อกูลเข้าไปเป็นหน้าที่ลักษณะของนสญญวยาเนี่ยมีการกําจัดความมาคาตเป็นผลแล้วก็มีการเล็งเห็นภาวะที่ศัพท์ทั้งหลายเป็นผู้น่าชอบใจไป็นเหตุกล้ให้เกิดเมตตาเนี่ยมีความแตกต่างกับตัณหาเมตตาหวังประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้เขามีความสุขโดยไม่คํานึงว่าตัวเองจะมีส่วนสวยความสุขของเขาด้วยหรือไม่ ถ้าเป็นตัณหาเนี่ยนะเป็นความอยากได้อยากช่วยแต่มีข้อแม้ว่าฉันจะต้องได้ความสุขด้วยหากไม่ได้ก็จะไม่ช่วยหรือไม่คิดจะช่วยเพื่อ ต, ตัณหาธรรมะต า, าต่างๆหนึ่งมันอารมณ์คล้ายๆกันเลยแล้วแต่ตัณหาเนี่ยก็อยากจะช่วยเพื่อไงแต่มีข้อแม้ว่าช่วยก็อยู่เ ล, ลวเราต้องได้ความสุขด้วยแต่ถ้าเมตตาเนี่ยไม่ไม่คํานึงว่าเราจะได้ความสุขหรือไม่ได้ความสุขรักมายธรรมตตาจะเป็นยังง เขาบอกว่าลักษณด่ายังการจเจริญโศเจยะก็คือว่าพิจารณาโทษของความโกรธพิจารณาของคุณของขันติแล้วก็ให้พิจารณาด้วยว่าเออคนโสดเป็นตัวอะไรนี้ไม่มีคนอยากเข้าใกล้แล้วก็คนจะประสบความสาเร็จในอาชีพการงานในการศึกษาเล่าเรียนได้ก็จะต้องเป็นคนไม่ขี้โกงแล้วก็ให้เห็นอานิสงส์ของขันติพอิปทำเครื่องเผากิเลส พุทธเจ้ากล่าวนิพพานเป็นธรรมที่ยอดนี้เป็นต้นก็ศึกษาเลยนะอันนี้สง์ก็จะเยอะเนะในโสใจญาณก็จะไม่ได้กล่าวในรายละเอียดแต่ผู้ที่รู้ว่าคำว่าโสใจญาณนั่นก็คือตัวตัวเมตตามนประการต่อไปก็คือมุทธะมุทมทะสัจจ์ความหลงลืมสติกับอสัมชัญญะความไม่รู้ตัว มุธาสัจจาก็คือความอยู่ยังขาดสติการอยู่ยังขาดสตไิไม่ได้ทำอยนะ่างนั้นมุธาสัจจาก็คืออะไรคือไม่มีสติตะลึกตามไปไม่ได้ย้อนไปก็ไม่ได้นึกก็ไม่ออกจําก็ไม่ได้ปั้นเพือนหลงลืมอันนี้เรียกว่ามุธาสัจจ์เป็นบอกไหมมุธาสัจจ์ <c oughs> ไม่ออก <c oughs> คือ นึกนึกอะไรก็นึกไม่ค่อยออกจําก็ไม่คได้แล้วลึกย้อนกลับไปก็อะไรู็ไม่ได้อย่างเนี้อ่ะกุศลแรกคำไม่เคยเกิดยังแล้วตามคำสอนในวันนี้เป็นเสร็จลาลับไปเฮ้ยก็ไม่ออกนี่นะย้อนนึกก็ไม่ออกจําไม่ได้ปั้นเปืลงลืมรักษาดนี้เป็นมุธธรรมสจจะไม่ดีเลยพอเมืท่านึกคําสอนไม่ออกทนี่มันเจอิญกุศลไหมนะ ให้สังเกตเลยนะว่าเวลาเราจะเจริญกุศลเนี่ยจะทําจิตให้เป็นกุศลหรือจะเจริญกุศลเนี่ยมันต้องนึกคําสอนนะถ้านึกอะไรไม่ออกเลยก็ไม่รู้จะเจริญยังไงใช่ไหะก็ไม่รู้จะเจริญยังไงก็อย่างนี้ก็เสียหายในเรื่รู้ธาตสัจจะส่วนอสัมปรัญญาอสัมปรัญญาก็คือเอาวิชานี่นี่คำสัมปชัญญาถ้าสัมปชัญญาเนี่ยก็แปลว่ามันมีสีอย่าง สาวตกาสัมปชัญญะสั ป, ปายาสัมปชัญญะโกเจราสัมปชัญญะและอสศมูหัสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะในการยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดก้าเหยื่อถ้าอัศม์ปชัญญะในเบเจี๋อของโมหะเลยคือเอาวิชา น, นั่นเองความไม่รู้ความหลงอกุศลมูลทั้งหลายเป็นเป็นอสัม์ปชัญญะ ทีนี้ถ้าเราจะศึกษาในเรื่องของอสัมปชัญญานี่เนี่ยอสัมปชัญญเนี่ยก็ต้องไปศึกษาอวิชชาเนี่ยไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกคัคมูไทยไม่รู้ในทุกคนิโรดไม่รู้ในทุกขานิโรธครรมีปฏิปทาต้นนี้ก็เป็นชื่อของอสัมปัญญานั้นทีงที้ประการต่อไปก็คือ สติจับสัมปทานยันจับสติความระลึกได้สัมปชัญญาความรู้ตัวสติความระลึกได้นึกได้สำนึกอยู่ไม่เผลอกับสัมปชัญญาความรู้ชัดเนี่ยไปดูในทัศสุตะสูต ร, รเป็นพระสูตรที่ท่านพระสารีบุตรเถระแสดงการจำแนกบวดหมู่เองทำเริ่มตั้งแต่ทำหมวดหนึ่งไปจนถึงทำหมวดสิบในขณะนั้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงห้าร้อยลูกประทับหน้าที่ ฟังสะโบกกรณีเชื่อคัาค า, าใกล้เมืองจำกางใช่ไหมครั้งนั้นก็พระองค์ก็ส่งภิกษุไปพบภาษาดิบุตรเพื่อประโยชน์ของภิกษุเหล่านั้นพราะพระองค์ประสงค์ที่จะให้ภาษาดิบุตรสแสดงทำให้ภิกษุเหล่านั้นตามดังพุทธภาษิตี่ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเศษจงครบภาษาดิบุตรและพระโมฆราชนะเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงครบภาษาดิบุตรและพระโมฆราชนะภิกษุที่เป็นบันณฑิตอนุเคราะห์ เพื่อคมจรีภิกษุทั้งหลายสาริบุตรเปลี่ยบเสมือนมารดาผู้ยังทารกให้เกิดส่วนโมคคลานะก็เปลี่ยนเสมือนนางนมผู้เลี้ยงทารกซึ่งเกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายสาริบุตรจ้ำแนะนําในโสดาบลผลโมคคลานะก็ย้ำแนะนําประโยชน์ทันสูงสุดก็แปลว่าภาษาริบุตรกับโมคคลานะเนี่ยท่านทางานโดยสารกันพระพุทธเจ้าจะจารย์ภิกษุที่มีอัตฉรยิยสายอุปนิสัยในการที่เป็นสาววเวยในก็จะส่งไปหา ท่านภาษาลีบุตรก่อนภาษาลีบุตรเขาอบรมขั้นเหลานั้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพหลายบุตรปล่อยแล้วท่าก็ปล่อยแล้เออเาตอกบอกเจนขั้นสูงต่อไปก็คือว่าสกทาคามีผลนาการผลนหาหันผลก็เป็นหน้าที่ของท่านพระบูรณะเออความคิดของภาษาวกเนี่ยทงั้งที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อะไรยายกอย่างเช่น พปิลินทวัาชาเนี่ยเวลาจะพูดอะไรกับใครก็จะต้องมีคานะพูดว่าไปไหนมาโวนถอยเนี่ยที่ท่านพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหยอัคยาไสยที่ท่านเคยเกิดเป็นาพามาห้าร้อยชาติเนี่ยติดทั้งท่านที่ไม่มีกิเลสเนี่ยทั้งท่าน ท, ที่ไม่มีกิเลสแล้วแกไม่ยากโยมเสียหายหลายคนเ อ, อมีคนมหนึ่งก็งขาบเลยมัาบข้าวขาบอะไรม ท่านก็นถามโอเอ อ, เ อ, อคนคอยามาแปลงมาเนี่ยยัวก็ยวกัยวจะพูดว่าอะไรเนี่ยไม่ปวดหรืออะไรเลยพูดกระพรกับกระทันไปว่าถามเม็ดปวดในตําดองนะพูดประชดม่างกายเป็นปวดเป็นหินหมดเลยข้าวได้ต้องไปขอขอมรสน์ฉะนั้นเขาบอกว่าพ่าอาริยฆาตอารัเนี่ยท่านยังมีความไม่ดีตรงนี้อยู่ บาอย่างท่านก็หาได้บุตรเนี่ยนะไม่ใช่ท่านสมบูรณ์แบบน้ะบางครั้งท่านก็มีความคิดว่าไม่อยากสอนนิดยนึ่งการไม่อยากสอนนี่นก็ท่านก็ถือว่าจากว่าเป็นความไม่ดีระดับหนึ่งนะซึ่งพระพุทธเจ้าไม่มีแต่ว่ากิเลสทั้งท่านไม่มีนะท่านถึงบอกว่าไม่สมบูรณ์คนคนทั่วไปไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าทีนี้มันพูดถึงเรื่องสติ ทนี้พระพุทธองค์เล็งเห็นว่าภิกษุเหล่านี้เป็นสาวกเวีนยสามารถที่จะตัดสู้ได้แม้ด้วยการฟังธรรมะจากภาษาวกจะตัดสู้ด้วยเทศนาของภาษาดิบุตรจึงรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นไปพบภาษาดิบุตรสาวกผู้เป็นพุทธเวนยย่อมไม่อาจจะตัดสู้ได้ด้วยการฟังจากภาษาวกมีภาษาดิบเป็นต้นแต่จะตัดสู้ได้ด้วยด้วยการฟังธรรมจากรู้เทจร้อ ฉะนั้นคา e ญญญานําว่าสติและสามัญญาเนี่ยก็แปลว่าคำที่มีอุปการะมากคําว่าอุปการะนี่ก็แปลว่านําประโยชน์เกื้อกูลในมาให้ในที่ทั้งบ่วงเหมือนความไม่ประมาทเนี่ยมีอุปการะให้กิจการทั้งหลายมีการมาเป็นศีลสราที่ปัญญาเป็นต้นเลยนะฉะนั้นคำคือสติและสามัญญาเนี่ยมีอุปการะในกิจทั้งหลาย การศึกษาเรียนการประกอบการงานการจักสารการรักษาศาีลการเจริญที่สมาธิการเจริญปัญญาจะต้องอาศัยสติท้ายของหนังสืาถากล่าวว่าเมื่อภาษาลิบุตรได้กล่าวคำเหล่านั้นแล้วเนี่ยภิกษุเหล่านั้นก็เพิดเพลินตาสธิของภาษาลิบุตรรับไว้ด้วยเสียงก้าภิกษุห้าร้อยรูปนึกถึง ซึ่งสรรพสุขนั่นเองก็ดำรงอยู่ในภาอาหารพร้อมทั้งปฏิสั ม, มพิทาเพราะความที่ตนมีใจแ่มชืช่อทีนี้ในทีขณิกายท่านกล่าวไว้บอกว่าสติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะส่วนสัมปชัญญะมีความรู้ตัวนะเป็นลักษณะลักษณะเ็าแตกต่างกันยี้เนี่ยพลิกสูตรทั้งหลายสัมมาสติเป็นะไหน นี้เรียกว่าสัมมาสติคือพิสูจน์ในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติตกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวนนาในเวนนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนั้ในโลกเสียได้คําว่าสัมมาสติเป็นไหนคือสติคือการคอยระลึกถึงอยู่เดืองเดืองแบบนี้ สมาสติต้องระลึกเนืองๆการหัวระลึกก็ดีสติคือภาวะที่ระลึกได้ภาวะที่ทรงจำไว้ได้ภาวะที่ไม่เรือนหายภาวะที่ไม่ลืมสติคือสติที่เป็นอินทรีย์เรียกสตินทรีย์สติที่เป็นภาระเรียกว่าสติภาระสัมมาสติสติสามพุธชงที่เป็นองค์ของมรรคเนื่องในมรรคนี้แลเรียกว่าสัมมาสติท่านก็ขยายบอกว่า ไอคำว่าสติเขาแปลกันบอกว่าความระลึกได้ถ้าแปลอย่างนี้ก็เพ่งไปถึงความหมายในแง่ของความจำคือสติเนี่ยพูดงงในแง่หนึ่งเป็นความจำนะซึ่งเป็นการถูกต้องในด้านหนึ่งแต่ไม่เต็มความหมายและจุดที่สำคัญถ้าพูดในแง่ของปฏิเสธ สตินอกจากจะหมายถึงความไม่ลืมซึ่งตรงกับความหมายในทางอนุมัติยอมรับข้างต้นแล้วเนี่ยความระลึกได้ยังหมายถึงความไม่เผลอความไม่เลือนเลิกและความไม่ฟั่นเฟือนเลือนเลิศด้วฉะนั้นความหมายในแง่ของปฏิเสธนี่เล็งไปถึงความหมายในทางอนุมัติบอกว่าความระมัดระวังความตื่นตัวต่อหน้าที่ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกเป็นชื่อของสตินั่นเอง ก็แปลว่าภาวะที่พร้อมอยู่เสมอในการรับรู้ต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องและตันหนาก็ควรไปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรเ <c oughs> ช่นว่าอารมณ์ที่มากระทบจามตาหูจมูกเล่นไายใจเนี่ยนะถ้ามีสติคอยกำกับอยู่เสมอเนี่ยจะปฏิบัติหรือจะวางใจได้ถูกต่อสิ่งนั้นแต่ถ้าหากว่า เพ้อเล่เลลเล่ฟันเฟือนเนี่ยนะอารมณ์มากระทบแล้วก็ปล่อยเลยไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มานัติการไม่ได้ตั้งไม่ได้ระลึกอะไรอยู่ในขณะนั้นฉะนั้นจะบอกว่าในแง่ของจริยธรรมการทําหน้าที่ของสติเปรียบเส ม, มือนกับประตูคอยระมัด ร, ระวังคอยเฝ้าดูคนออกคนเข้าเนี่ยแล้วก็คนที่ไม่ควรออกก็ไม่ให้ออก สติจึงเป็นธรรมสำคัญในทางจริยธรรมเป็นอย่างมากเป็นตัวควบคุมการปฏิบัติหน้าที่คอยป้องกันคอยยับยั้งทั้งจะไม่ให้หลงเพลินไปตามความชั่วลักษณะของสติเป็นไปด้วยอาจารย์อสตินี่เป็นอภมาท ธ, ธรรมนะคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นหลักธรรมที่สำคัญ สติเพราะสามารถในการระลึกหรือระลึกบ่อยๆเรียกว่าอนุสติเช่นพุทธานุสติเนี่ยระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเส ม, มอๆอันนี้อันนี้เป็นอนุสติฉะนั้นลักษณะแห่งสติบางอย่างมันก็บอกว่าการฟังเรื่องสิ่งต่างๆไว้นานๆแล้วก็สามารถระลึกไม่จับเพื่อสังเกตดูนะว่าคนที่เขาจะจําอะไรได้ดีอแปลว่าคนเขาเระลึกอะไ ร, รบ่อย เราอย่ไปว่าว่าคนคนนี้ฟังจำดีที่ไหนได้เขาระลึกบ่อยจริงเช่นเราฟังในเรื่องนี้วันนี้ไปเนี่ยเราก็เอาไปทวนละเลึกอยู่บ่อยๆนี่พอระเลิกอยู่บ่อยๆในี่ยกุศลมันเดินพราะกุศลธรรมมันเกิดขึ้นสติมีกําลังสภาพสติที่มีกําลังแล้วจะเกื้ อ, อมมกูลตัวธรรมะหมวดอื่นต่อมาทําปชัญญยะถึงต้นเหตุพรสติเข้าไปตั้งไประลึกอยู่บ่อยๆแล้วเนี่ยตัวปัญญาก็ไปวิจัยใช่ไหม ต่วิจัยไตตอนนั้นตัวสัมมาสติเ น, นี่ยไม่ใช่ว่าเราเราให้เขาเกิดเองสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศาัยเิธีปัจจัยเขาเป็นปัญหาหลักฐานเนี่ยคือเราจะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยการอาศาัยวิธีปัจจัยที่จะทำให้สติเกิดก็คือหมันและลึกเสมอและลึกบ่อยๆนละลึกในอย่างเช่นฟังอะไรสูตรอะไร หรือคำสอนใดๆที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก็เอามาใส่ใจเอามาครอบครัวเอามาให้ควนเส ม, มอลักษณะนี้สติก็จะเกิดบวกเพราะวันั้นก็จะไม่หลงอยู่ทีนี้ให้สังแก้ตัวนะว่าเรื่องบางเรื่องที่เราชอบมากที่สุดเนี่ยเราเรอย่ระลึกมั่งระลึกบ่อยแล้วเรื่องนั้นไม่ลืมอย่างเช่นว่ามีนักว่าจะไปเที่ยวในบที่ตัสามสี่เดือนทําไมเร า, เราเราเราไม่ลืมเพราะเราเระลึก อ, อยู่เส ม, มอใช่ไหม มันจะไปอย่างนี้เคยจาได้ยนะังมั้งพี่ว่าขนาดน่าจะจำยากด้วยนะี่ยไม่ได้จดไว้ด้วยที่วันนี้จำได้แม่นเลยคิดคีดิดดดดตจริงๆทำอะไรก็จะนึกนึกถึงเขาไปบอนึกถึงเขาบอนึกถึงอะไรต่างๆแล้วแต่ที่เราเราเราเราใส่ใจไปบอ่อคือสติมันเกิดบ่อยท่นนี่ ลักษณะของสติก็คือมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะมีการไม่หลงลืมเป็นหน้าที่มีการอารักขาคุ้มครองใจและอารมณ์คำว่าอารักขาเนี่ยอารักขาใจและอารมณ์ก็ว้สติเนี่ยอันนี้เป็นเป็นผลมุ่งต่ออารมณ์ด้วยคำว่าอารักษาเนี่ยแปลว่าเวลาใจจะไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยสติก็จะเป็นตัวขูกขว่ก็ไวาให้ไปกกเกาะเกี่ยวกับอารมณ์นี าอ า, ารมณ์ตกสมาทานไว้ในใจต่อไปเราจะระลึกถึงโมหะวุทิธรรมเป็นอารมณ์มีพุทธามนุสติเป็นอารมณ์เวลาใจจะท่าม ไ, มไปขึ้นอื่นแล้วก็อัสติดึงกลับไปไปผูกไว่้แล้วก็ระลึกบ่อยๆใหม่ๆยากไหยเหมือนการเจริญนาานสติยาสติไปผูกไว้แต่เราไมใ่ใจเข้าแล้วเราไม่ใจออกเพราะใหม่ๆเขายากแต่พอพอชนานํานาญเข้าจะนิ่ง่ายมากเลยไม่ใช่ผูกธรรมดาแล้วพอผูกปุ๊บนิ่แน่เลยเพราะว่ามันชํานาญ จีเป็นไปด้วยอาหนึ่งกรรมฐานทุกอย่างต้องอาศัยสติเป็นตัวผูกทั้งนั้นยถ้าไม่ไม่ไม่มีสติเป็นตัวคอยผูกน ะ, ะหรือถ้าสติไม่ดีแล้วนะสมชาังไม่รู้ไม่รู้จะพิจารณาอล้วนั่นสตินี่เป็นคุณธรรมเบื้องต้นมีโอ ก, กาสล้างมากมีโอ ก, การล้มากในคุณธรรมทั้งหลายที่จะตามตามมันอลไรก็สมควรแก่วเวลาแล้วจบสัมสติสมชายยังไม่จ ก็เจริญการทางการเงินเปกนน